คิดว่าพวกเราก็คงจะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติกันมาพอสมควรสิ่งที่จะแนะนำถ่ายทอดบอกสอนกันก็จะแนะนำในเรื่องที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยส่งสอนไว้มากไว้บ่อยแล้วก็แนะนำว่าเป็นวิธีที่ <c oughs> ง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องการนําคำของผู้เจ้าขึ้นมาเพราะเป็นพุทธประสงค์ของท่านที่ท่านตรัสว่าสุดตนตร ะ, ะเหล่าใดที่คนแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกราบปลนมีสอนสลสัดสลวยมีเป็นินชนะอันวิ จ, จิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคากล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุดตันตะเรานั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเธอจะไม่ฟังด้วยดีไม่เงี้ยวหูฟังไม่ตั้งจิตไปจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยไม่ควรศึกษาเล่าเรียนนส่วนสุดตันตะเราใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญตตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเรานี่ยมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี้ยวหูฟังย่อมตั้งจิตไปจะรู้ทั่วถึง และย้ำสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนโดยคำตัดของท่านอันนี้เป็นการแสดงพุทธประสงค์ของท่านที่ต้องการให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยฟังคำของพระองค์เป็นหลักเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีความแตกฉานในมรรคที <c oughs> เมื่อที่สุดนะั่นถามสาวกว่ า, าสามารถสัมพุทธสกับพระอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรในเมื่อเสมอกันที่วินะุตสาวกก็เลยทูลให้ผู้เจ้าตอบผู้เจ้าก็บอกว่า แตกต่างกันที่ผู้เจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่รู้มรรคก่อนรู้แจ้งมรรคและเป็นมรรคภูวิธโธคือฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้แม้จะเป็นพระอรหัน์ผู้เลิ่นทางปัญญาก็ตามเป็นเพียงมัรคคารุคาผู้เดินตามมรรคเฉยๆนะเพราะฉะนั้นสาวกเราไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดมรรควิธีอะไรขึ้นมาใหม่นะคำสอนของผู้เจ้าเนี่ยบริสุทธิ์บริรบูรณ์แล้วสิ้นเชิงมานะให้เราเขาเข้าใจตรงนี้ว่าเหตุใดเราจึงต้องมาสนใจคําสอนของพระพุทธเจ้าของเรา นะซึ่งเรารู้สึกว่าทุกวันนี้เราห่างไกลคำสอนของพระพุทธองค์คำสอนตรงนี้เราเน้นไปที่พุทธวจนะคือคำที่ออกจากปากของผู้เจ้าจริงๆไม่ใช่คำที่เป็นความเห็นแต่งเติมขึ้นมาภายหลังและผู้เจ้ายังบอกทีจํากัดของความเป็นสาวกนะว่าไม่สามารถทาคำพูดทุกคำให้ถูกต้องได้นะแต่ผู้เจ้าเนี่ยสามารถทาคาพูดทุกคา ให้ถูกต้องได้ด้วยการกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ผิดพลาดแม้แต่คำเดียวเราจึงควรมาสนใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดอะไรแล้วเราก็จะได้รู้สึกว่าเราใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเหมือนเราใกล้ชิดครูบาอาจารย์ทุกวันนี้เราก็พยายามอ่านและก็ศึกษา นะคําสอนของท่านของครูบาอาจารยนะ์ตอนนี้ก็อยากให้พวกเราเนี่ยมาศึกษานะคําพูดของพระพุทธเจ้านะจะทําให้เกิดความใกล้ชิดรู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นอาจารย์ของเราเรามีปัญหาอะไรในการภาวนาเราก็มาถามพระพุทธเจ้าด้วยการมาศึกษามรรควิธีของท่านวิธีการภาวนาการแก้ปัญหาการภาวนาของท่านแต่น้ําหนักในการศึกษาและปฏิบัตินั้นพรนะพุทเจ้าก็แบ่งสัสดส่วน ในการศึกษาและปฏิบัติท่านบอกอย่าใช้วันทั้งวันให้สิ้นเปลืนไปกับการศึกษาเรียนวันทั้งวันให้พยายามปฏิบัติภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าท่านสอนเกษุท่านก็บอกว่าหลังฉันแล้วเนี่ย <c oughs> ให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรียามที่สองให้นอนยามที่สามให้ตื่นตื่นมาแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิ ไปจนทั้งเช้าออกบฏิาบาติเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูเนี่ยเวลาในการศึกษาก็มีเพียงแค่ช่วงตั้งแต่อรุณขึ้นจนกระทั่งหมดเวลาที่จะฉันก็คือช่วงเที่ยงมีเวลาครึ่งวันเท่านั้นส่วนเวลาที่เหลือก็คือต้องเดินโยมกลมนั่งสมาธิภาวนาไปเพราะนั้นประมาณแ0ดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตของวันเนี่ยให้เป็นไปเพื่อการประคุตปฏิบัติ เวลาที่เหลือก็เพื่อการศึกษาได้าการที่เราปฏิบัติอย่างเดียกก็ดีแต่พระเจ้าสรรเสริญทั้งสองอย่างก็คือได้ทั้งปฏิบัติแล้วก็ปริยัติการพอตัวเพื่อตัวเองคือเอาตัวเองรอดได้นก็เป็นสิ่งที่ดีและพระเจ้าก็เน้นมาอัดับหนึ่งคือยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมก่อนแต่ถ้าใครเนี่ย แตกชานในพุทธวจนะได้คล่องแคล่วในคำสอนของท่านก็จะเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดบอกสอนพระศาสนากันไปรุ่นต่อรุ่นเป็นเหตุของความเจริญพระสัตยธรรมที่พระเจ้าบอกไว้สีข้อตั้งแต่ข้อแรกก็คือจดจาบทเ ป, นนะป็นชนะเนี่ยการมาถูกความหมายถูกอธิบายถูกอย่างที่สองภิกษุต้องเป็นผู้ว่า ง, ง่ายอดทนยอมรับฟังคสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่น อย่างที่สามเนี่ยผู้ที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยต้องขยันที่จะถ่ายทอดบอกสอนเนื้ความนั้นนั้นแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลลากสืบทอดกันต่อๆไปศา ส, สนาจะเจริญต่อไปได้ด้วยการถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นเราสอนลูกลูกสอนหลานสอนสอนกันต่อๆไปเป็นการถ่ายทอดกันระหว่างคนต่อคนออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเราทรงจํา คำสอนอะไรไม่ได้การถ่ายทอดก็จะไม่เกิดขึ้นนะการทรงจําคําของพระพุทธเจ้าได้มากก็เป็นการถ่ายทอดพระศัทธธรรมให้สืบทอดต่อไปรุ่นต่อรุ่ น, รนต ร, นราบนานเท่านานนะและคําสอนก็จะไม่ผิดเพี้ยนสองพันกว่าปีที่ทรงจํามาเราไม่ได้ทรงจําคําของสาวกเราถ่ายทอดคําพุทธเจ้ากันนะและการสังฆนาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งเราก็ช่วยกันสังฆนาคือช่วยกันทรงจําว่าใครจําคำพุทธเจ้าอะไรได้บ้างพูดมา นะเมื่อพูดมาได้แล้วก็ทุกคนเนี่ยโวดขึ้นพร้อมๆกันทรงจําพร้อมๆกั น, พพกนเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะทรงจําสิ่งที่พระเจ้าได้พูดไว้ได้สั่งสอนไว้ซึ่งพระเจ้าก็บอกว่าอานอนต์พวกเธอ อ, อย่าคิดอย่างนี้ว่าพวกเรามีพระาศาสดาร่วงลับไปแล้วาศาสดาของเราไม่มีนะพวกเคออย่าคิดอย่างนั้นทําก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงไว้ดีแล้วเนี่ยจะเป็นาศาสดาของพวกเธอต่อไปโดยการล่วงไปของเรานะพระเจ้าจึนยันว่าคําสอนของท่านเนี่ย จะเป็นศาสดาต่อไปได้และให้ใช้คำสอนของท่านเหมือนเป็นศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปอย่างที่สี่ก็คื อ, อความเจริญพระศาสนานะเมื่อกี้มาสามข้อแล้วข้อที่สี่ก็คือว่าท่านบอกว่าพระที่บวชนานแล้วเนี่ยตั้งแต่สิปีขึ้นไปที่เป็นพระเถระต้องไม่เป็นผู้นําในทางสามต้องมงน้าไปในกิจแห่งเวทธรรมปราลบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพราะฉะนั้นตัวพระที่บทนั้นแล้วต้องเป็นผู้นําที่ดีไม่ไม่เป็นผู้นําในทางที่ไม่ดีอันนี้เป็น4ข้อที่เป็นความเจริญของพระสศธรรมเป็นความรุ่งเรืองไปบูนเป็นอายุของพระศาสนาจริงๆอายุของพระศาสนาผู้เจ้าก็พูดไว้หลายนัยยะนะการมีสติความไม่ประมาทการหมั่นเจริญสติปัฏฐาน4ี่การเป็นผู้ฉลาดในอายจตนะฉลาดในปฏิจจสมุปบาทนะสิ่งเหล่านี้เป็นความ จเจเินของพระศาสนาทาั้งนั้นทีนี้มาถึงมรรควิธีที่พระเจ้าได้แนะนำว่าเป็นวิธีที่ง่ายสั้นแล้วก็ทำให้บรรลุมรรคผลได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วมรรควิธีนี้ไม่ไม่ค่อยมี ใครนำมาสอนกันเท่าไหร่อาตมาไม่ค่อยเคยได้ยินแต่ถ้าเราได้เข้าไปศึกษาพุทธวจนะแล้วนะเราจะเจอธํานี้ค่อนข้างมากก็คือนันทินันทิแปลว่าความเพลินพระุทธเจ้าให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยหมันละความเพลินในอารมณ์ความเพลินในการเห็นก็ดีความเพลินในการได้ยินได้ฟังก็ดีความเพลินในกลิน่น ในรถในสัมผัสและในธรรมลมคือความรู้แจ้งทางใจขึ้นมาเรารับรู้ขึ้นมาแล้วพระุทธเจ้าบอกว่าอย่าตามคิดต่อไปให้พยายามละความเพลินในอารมณ์นั้นให้ได้ให้ไหวพยายามตั้งไว้ซึ่งกายะคตาสติหนึ่งจิตผู้รู้เรากลับมาอยู่กับกายส่งความเป็นปัจจุบันเอาไว้ในความเป็นปัจจุบันก็คือ อาศัยกายของเราเป็นฐานที่ตั้งของจิตผู้รู้ของเราด้วยการสร้างสติคือความระลึกได้กลับมาสู่ปัจจุบันก็คือกายเรากายเรามีอะไรได้บ้างลมหายใจพุทธเจ้าบอกเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเรารู้ลมหายใจก็ชื่อว่ารู้กายเหมือนกันลมหายใจที่เรากลับมารู้นะก็คือเรียกว่าอานาปานสติ เรามารู้ลมเข้าลมออกอย่างนี้หรือถ้าใครทำงานอยู่ก็ให้รู้ในกิจการงานนั้นๆนะว่าเรากำลังทำอะไรกวาดบ้านถูบ้า น, นขับรถอยู่ทำอะไรอยู่ก็ให้รู้ในการงานนั้นนั้นพเจ้าเรียกว่าจิตอธิษฐานการงานมีสติรู้อยู่กับงานที่ทำในปัจจุบันถ้าจิตมันเคลื่อนออกจากงานที่เราทำในปัจจุบันก็พยายาม หึงจิตกลับมาอยู่กับงานในปัจจุบันการตามรู้รีบทนะเคลื่อนไหวการเดินแต่ละกนะ้าวให้เรามีความรู้ตัวนี่ก็ชื่อว่าเรากําลังเจริญกายคตาสติเหมือนกันนะเมื่อละความเพลินแล้วให้ตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับกายหรืออยู่กับอุเบขาเวทนาคือความเฉยๆวางจิตเฉยๆนะ ต้องบอกว่าการที่จิตเนี่ยผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินเป็นผู้มีปกติเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆก็ชื่อว่าจิตมีอุปทานมีความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นนั้นเรียกว่าจิตก็มีความพอใจในอารมณ์นั้นนัถ้าจิตพอใจในสิ่งสิ่งใดจิตก็จะกลับมาเกิดในสภาวะนั้นถ้าจิตมีการเกิดก็แก้ปัญหาความแก่เจ็บตายไม่ได้ คำสอนผู้เจ้าทั้งหมดนะประมวลลงที่การแก้ปัญหาว่าทําอย่างไรจึงจะไม่ตายเพราะชีวิตทุกๆชีวิตเดินไปสู่ความตายความแตกดับทั้งหมดก่อนที่เราจะแตกดับแตกสลายตายไปเราจะมีวิธีแก้ตรงนี้หรือไม่ผู้เจ้าจึงบอกวิธีที่จะแก้ไขเอาไว้ว่าทําอย่างไรจึงจะไม่ตาย ท่านก็บอกว่าจริงๆการแก้ปัญหาการตายต้องมาดูที่สาเหตุของมันต้องไปดับที่เหตุเหตุของชรลาและมรณนะท่านถามสาวกอยู่บ่อยๆว่าความแก่และความตายมันมีเหตุมาจากอะไรพวกเราเคยนึกรู้เปล่าว่าแก่และตายมันมีเหตุมาจากอะไรความไม่เที่ยงหรือว่าถามยังว่าไอแก้วใบนี้ยนทํายังไงมันจะไม่แตกเนี่ย ทำได้ไหมจะทํำยังไงทําไม่ได้อืมใช่ใช่มีโยมมีคนบอกไม่ต้องมีแก้วอันนี้ถูกเลยเป็นวิธีแก้อย่างพระเจ้าคืออย่ามีแก้วถ้ามีแก้วจะมีแก้วแตกมีคนจะมีคนตายเพราะฉะนั้นเป็นหลักการของพระเจ้าก็คือไปดับที่เหตุนะถ้าไม่มีการเกิดปรากฏขึ้นมาการแก่และตายจะไม่มีถ้าไม่มีรูปร่างแก้วขึ้นมาก็จะไม่มีแก้วแตกอืม เพราะว่าเราจะป้องกันอย่างไรก็ไม่มีทางป้องกันได้เอาเก็บวางไว้เฉยๆไอ้ชั้นวางก็พังไปด้วยกันหมดนี่พันปีหมื่นปีแสนปียังไงแก้วไปนี้ก็เดินไปสู่ความแตกพระเจ้าถึงว่าทําใดเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุ ด, ดับทำนั้นจะดับด้วยผลทั้งหลายนี่มันเกิดจากเหตุเพราะนั้นท่านจึงให้ไปดูว่าเหตุของชาลาและมรณ ะ, ะมีขึ้นเพราะอะไรมีขึ้นเพราะมีการเกิดและอะไรเป็นตัวเกิดเลยพอไล่ไปแล้วเนี่ย ตัวเกิดจริงๆก็คือจิตเป็นตัวเกิดจิตสร้างการเกิดอยู่ตลอดเวลาภายในใจของเราขณะใจของเรารู้อารมณ์ขึ้นมาอารมณ์หนึ่งเนี่ยนั่นคือจิตมีการเกิดและสร้างการเกิดขึ้นมาละจิตเนี่ยเป็นผู้รู้อารมณ์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยจิตและอารมณ์ที่ถูกรู้โดยจิตมีอะไรบ้างพระุทธเจ้าบอกมันมีสี่อย่างก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธรรมชาตินี้เรานั่งสมาธิ อยู่เนี่ยนั่งดูลมหายใจหรือทําวิธีใดก็ได้เราก็จะเห็นจิตของเราเนี่ยวิ่งวนไปกับสีธรรมชาติเหล่านี้ถ้ามันไม่อยู่กับกายมันก็ไปอยู่กับความคิดอดีตบ้างไปอยู่กับความคิดอนาคตบ้างไปอยู่กับสุขทุกข์พอใจไม่พอใจบ้างวนอยู่แค่นี้นะคุณเจ้าบอกเราจะสังเกตไปยี่สิบสามสิบปีจิตก็จะวนอยู่แค่นีนะ้เราก็จะสามารถสรุปการทํางานของจิตได้ ว่าจิตเนี่ยไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมชาติเหล่านี้นี่เป็นความรู้ของวโสดาบันที่จะได้ก็คือวิญญาณเนี่ยไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมชาติเหล่านี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้ผู้เจ้าจึงเรียกอย่างว่าวิญญาณถีติฐานที่ตั้งของวิญญาณขณะที่จิตรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งขึ้นมาในสี่ธาตุเหล่านี้ก็เรียกว่าจิตมีการเกิดจิตเข้ามาเกาะกับรูปเรียกว่าจิตเกิดในรูป อาศัยรูปเป็นที่ตั้งอาศัยจเจริญงอกงามไพบุญต่อไปแล้วก็เดินไปสู่ชลาและมรณะดับจากรูปไปเช่นเราอยู่กับลมหายใจเรานั่งดูลมหายใจมันก็มาเกาะรูปพอหลุดจากลมไปคิดเรื่องอดีตจิตไปเกาะกับสัญญาขันแล้วจิตไปเกาะสัญญาขันก็แสดงว่าจิตมีการเกิดเกิดในสัญญาขันแล้วถ้าเราปล่อยให้มันไหลาตามไปเรื่อยๆก็เรียกว่าจิตมีการจเจริญงอกงามไยบุญต่อไป แล้วก็จะเดินไปสู่ความดับเพราะนั้นเราก็จะแก้ปัญหาการแก่เจ็บตายไม่ได้ถ้าเราปล่อยให้จิตเนี่ยเพลินไปกับอารมณ์เรื่อยๆซึ่งจิตของคนทั่วไปก็จะเพลินไปกับอารมณ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆพระเจ้าจึงบอกว่าวิธีแก้ก็คือละความเพลินในอารมณ์ทั้งสามเช่นรู้ดีขึ้นมาไปคิดอนาคตขึ้นมาเกิดสุขทุกข์ขึ้นมาให้รีบทิ้งแล้วก็กลับมาตั้งไว้ที่ขันขันเดียว คือเราต้องปล่อยห้าขันเนี่ยแต่จริงแต่เราปล่อยทีเดียวไม่ได้มันจึงต้องมีการจัดระเบียบวิธีในการปล่อยพระเจ้าจึงให้มาตั้งไว้กับขันขันเดียวจะตั้งไว้กับกายหรือตั้งไว้กับเวทนาอันเป็นอุเบกขาก็ได้แล้วทิ้งขันที่เหลือฝึกทิ้งขันที่เหลือไปเรื่อยๆทิ้งขันที่เหลือไปเรื่อยๆเป็นการสร้างสติขึ้นมาฝึกสติสติคือความระลึกได้ระลึกได้ถึงอะไรระลึกได้ถึงสิ่งที่เราตั้งไว้ไงขันที่เราตั้งไว้คือกาย ตายยังไม่ตายเราต้องรักษากายเอาไว้เราจรึงผู้เจ้าจึงให้กลับมาอยู่กับกายที่วิเจ้าเรียกว่ากายยัตาสติอาศัยกายเป็นฐานที่ตั้งของสติและท่านยังบอกว่ากายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักอย่างดีของจิตคิดอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ออกนึกถึงลมหายใจไว้ก่อนกลับมารู้ลมเข้าไว้เพราะลมหายใจนั้นผู้ที่กลับมารู้ลม ผู้เจ้าค่อนข้างจะสรรเสริญมากและบอกอันนี้ส่งไว้มาเพราะตัวพระองค์งเองก็ใช้อานาปานสติเป็นวิหารธรรมเรื่ออยู่พิะเจ้บอกว่าถ้าปริภากโชคทั้งหลายเนี่ยถามว่าตถาคตจำปรญหาการด้วยวิหารธรรมใดก็ให้ตอบปริภากชนั้นว่าตถาคตอยู่ด้วยอานาปานสติเป็นส่วนมากในทุกครั้งที่จำปรญหาการ ผู้เจ้าจะทําอะไรเป็นตัวอย่างให้สาวกอยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทราบว่าเราจะทําอะไรอย่างไรนะก็ให้ดูผู้เจ้าเป็นตัวอย่างหรือว่าทําในสิ่งที่ผู้เจ้าสรรเสริญเอาไว้ว่าอันเนี้ยมันดีหลังนจะ <c oughs> ากเราฝึกฝึกที่อารมณ์ที่เหลือไปไปเรื่อยๆด้วยการตั้งไว้ซึ่งกายคตาสตินะต่อไปเราก็จะมีสติที่รวดเร็วขึ้นว่องไวขึ้นท่าทันการเกิดของจิตจิตเกิด รับรู้อารมณ์ปั๊เนี่ยนะสติรู้ทันทันทีแล้วก็ทิ้งอารมณ์แล้วก็กลับมาอยู่ปัจจุบันดูหลักการที่พระเจ้าให้พยายามทรงอยู่กับปัจจุบันให้มากอย่าอยู่กับอดีตอย่าอยู่กับอนาคตคำของพระเจ้าจะสอนรับมันหมดะที่พระเจ้าไม่ให้ตั้งจิตไว้ในอดีตอย่าไปตั้งจิตไว้ในอนาคตเพราะอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงมาแล้วแก้ไขแล้วไม่ได้ไม่ควรไปพวงถึง อนาคตก็ยังไม่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะคนเราตายได้ตลอดเวลาเราคิดเรื่องไปอาทิตย์หน้าเดือนหน้าพรุ่งนี้ตายแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาสิ่งที่เราฟุ้งไปคิดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะแต่บางคนบอกว่าเราจะทาํางานยังไงก็ทําได้นะทําได้ตั้งเป้าได้ตั้งความมุ่งหมายได้แต่อย่ายึดในเป้าว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะมันไม่แน่นะคิดได้ที่นาได้แล้วก็รู้จักวางแล้วก็เราไม่ยึดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ นะมีความไม่เที่ยงอยู่ในใจเสมออยู่ตลอดเวลาผู้ที่ฝังใจอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นปกติสม่ำเสมอพรนะพุทธเจ้าก็เรียกว่าผู้นั้นเนี่ยก้าวเข้าสู่กลุ่มธรรมของพระโสดาบันคุณสมบัติของพระโสดาบันนะเบื้องต้นระดับโสดาปฏิมัติซึ่งพระุทธเจ้าเรียกว่าสัตทานวิสาลีแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งธรรมานิสาลีเป็นโสดาปฏิมัติทั้งคู่คุณสมบัติอย่างไรนะคุณสมบัติของสัตทานุิสาลีก็คือ ลงบอกว่ามีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเพียงแต่เห็นอย่างนี้เท่านั้นเนี่ยบุคคล น, นั้นมีความมั่นคงอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าก้าวล่วงพ้นปุริชนภูมิไม่อาจที่จะกระทากรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกัมเดย์เดชานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ควรที่จะตายก่อนแต่ที่จะทาให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลนคนคนนี้ได้โสดาปฏิผลก่อนตายแน่นอน ส่วนตัวธรรมานุสาลีเนี่ยก็คือว่าทำหกประการตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาวรีนะด้วยคุณสมบัติเพลงเท่านี้ก็ชื่อว่าเราเนี่ยก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิมีคุณสมบัติอย่างอื่นไหมไว้ตรวจสอบมีนะเครื่องมือตรวจสอบของพระเจ้าอย่างก็คือการละปุกพันตานุทิฏ ก, กับอัปปัลลานตาลุธิฏ ความเห็นที่ตาลบอ่นในเบื้องต้นเบื้องปลายอยากไปรู้อดีตไหมอยากไปรู้อนาคตไหมสงสัยในเรื่องอดีตอนาคตไหมพระเจ้าบอกสวดาบันไม่สงสัยนะไม่พวงว่าอาดีตเป็นอย่างไรอานาคตจะเป็นอย่างไรเพราะอาดีตจะเป็นอย่างไรก็เป็นเพียงขันธ์ห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเท่านั้นอานาคตอะไรจะเกิดขึ้นก็มีแต่เพียงขันธ์ห้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปขันธ์ห้าในปัจจุบันก็กำลังถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็เราไม่เห็นความสำคัญ ของในยะในอดีตและอนาคตที่จะเกิดขึ้นทําทุกอย่างไปตามเหตุและปัจจัยเครื่องตรวสอบอย่างอื่นนี้ไหมของพระโสดาบันมีมีหลายอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คืออท่านบอกว่ามีคุณธรรมสองประการไหมอย่างที่หนึ่งพ้นจากภัยเวรห้าประการนะภัยเวรห้าประการก็คือสินห้าถ้าเราพวกเรามีสินห้า บริบูรณ์ก็ชื่อว่าได้คุณธรรมของพระโสดาบันไปอย่างหนึ่งล้เพราะฉะนั้นคนที่มาที่วัดอาตมาบอกเอาสินห้าให้ดีๆเอาสินห้าให้บริบูรณ์นะเน้นสินห้าให้ดีนะได้คุณธรรมพระโสดาบันไปอย่างหนึ่งคุณสมบัติที่สองนะมีธรรมะสี่ประการอก็คือมีความเรื่อมใสายในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวัน่นไหวมีสินอันเป็นที่รัของพระหรืเจ้าคือสินอย่างไรสิ่งที่ไม่ขาดไม่ระลุไม่ดังไม่ปลอย มีสี่ข้อนี่ก็เรียกว่าได้โสตาปฏิยังทสีองค์ุณของโสตบัญชีประการความไม่หวั่นไหวเนี่ยนะก็มีความลึกซึ้งอยู่พอสมควรเช่นว่าท่านบอกว่าถ้าเรากระทําซึ่งรัตโกตูละมงคลมงคลภายนอกของสำนักพารามณ์เราอื่นเนี่ยอย่างนี้ก็ชื่อว่ า, ายังมีความหวั่นไหวอยู่เพราะเห็นความเป็นสาระจากการกระทําของเจ้าลัทธิอื่นนะยังมีการาบูชาไฟ ไหว่สิ่งนั้นไหว้สิ่งนี้พึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งไม่ใช่พรระัตนาใจนะเพราะสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พัตนาใจเนี่ยไม่ได้มีคําสอนที่จะพัฒนากายวาจาใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ไปได้เลยนะแต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะมีคําสอนที่จะพัฒนากายวาจาใจของเราเนี่ยให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลได้พระสงฆ์ระดับจะต้องไม่หวั่นไหวตรงนี้ ชื่อมั่นในเส้นทางว่าศีนสมาธิปัญญานั้นดีจริงมีใครบอกว่าเอ้ยคุณอย่าไปรักษาศีลเลยไม่ดีหรอกไม่มีความจาเป็นออดไปฟุ้งซ่านเลีอย่าไปนั่งสมาธิโซดาบันไม่เชื่อเนี่ยโสดาบันเข้าใจแล้วว่าเส้นทางเนี้ยถูกต้องพาเราพ้นทุกได้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้เนะี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอเกณฑ์หลักวิธีที่พระเจ้าวางเอาไว้ว่า ให้เราเนี่ยพยากรตนละตนนั่นแหละว่าเป็นโซดาบันแล้วถ้ามีเกณฑ์คุณธรรมตามนี้นะเพราะว่าหลังผู้ย่าปลายรินิพานแล้วเนี่ยจะไม่มีใครพยากรณแล้วนะเพราะนั้นธรรมะพวกนี้เป็นธรรมะที่ผู้จ้าให้ไว้ก่อนปลายรินิพานเป็นธรรมะที่สําคัญเพื่อให้เราเนี่ยใช้เป็นหลักไม่งั้นก็พยากรณกันมัวไปหมดไม่รู้จะเอาหลักเกณฑ์อะไรนะไปวัดพลังดูพลังอะไรกันบ้างซึ่งไม่ใช่หลักเกณฑ์วิธีที่ผู้จ้าให้ใช้นะมันไม่มีความแน่นอนตรวจสอบไม่ได้ อันนี้เราตรวจสอบได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาพยากรผู้เจ้าบอกว่าถ้าหวังจะพยากรก็ให้พยากรตนและตนนั่นละว่าเป็นโสดาบันแล้วก็ในเรื่องนักพิธีการรักความเพลินก็คงจะพอเข้าใจพอสมควรผู้เจ้าพูดสรุปไปอีกว่าสัมมาปสังนิพินทติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่มเบื่อหน นันทิขยาลาคาขโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินเนี่ยจึงมีความสิ้นไปแห่งลาค้าคือความพอใจลาคาขยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งความเพลินนันทิลาคาพยาจิตตังสุวิมุตติวิจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและลาค้ากล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วได้ดีแค่เราละความเพลินละความพอใจจิตสามารถหลุดพ uh ้นได้ละความเพลินความพอใจในอะไรนะในรูปเสียงขลิล ตาหูจมุกลิ้นกายใจในธรรมลมทั้งหลายอดีตอนาคตสุขทุกข์รับรู้แล้วปล่อยรับรู้แล้วปล่อยไปนะปล่อยไปเพื่อให้พบชาตินั้นดับคือดับการเกิดให้ไวที่สุดไวจนกระทั่งอย่างไรผู้เจ้าบอกว่าถ้าสติเราไวถึงที่สุดแล้วเนี่ยจิตจะหลุดพ้นเพราะไม่สามารถสร้างรูปนามขึ้นมาได้ขณะที่จิตกำลังเข้าไปเกาะรูปนามอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราปล่อยทันที นั่นก็คือพบหรือสถานที่เกิดของจิตนั้นดับไปเมื่อพบพบดับชาติก็ดับถ้าชาติดับผู้เจ้าบอกชาาราเมลณะจะมีขึ้นมาได้อย่างไรการเกิดต่อไปของจิตก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักการของผู้เจ้าที่เป็นหลักโดยปฏิจจสมุปบาทคนต้องเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทจึงจะมีเหตุผลในตรงนี้ได้ซึ่งผู้เจ้าจะใช้เหตุผลในตรงนี้ค่อนข้างมากนะเพราะมันเป็นหลักอริยสัจสี ปฏิจจสมุปบาทก็คือทำมันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเป็นการอธิบายอริยสัจสีโดยละเอียดโดยลงส่วนละเอียดในส่วนของสมุทัยและนโลิโรธว่าสมุทัยโดยปกติเราก็จะได้ยินว่าเหตุเกิดขอทงทุกนะแต่พอคุยเรื่องปฏิจจสมุปบาทผู้เจ้าก็จะลงรายละเอียดว่าเหตุเกิดขอทงทุกมันเริ่มจากอะไรก็จะไล่ตั้งแต่อวิชชาไป ราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจะมีสังขารทั้งหลายผู้มีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจะมีวิญญาณมีวิญญาณเป็นปัจจัยจะมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยนะจึงมีสลายจตนะมีผัสสะเวทนาตัณหาอุทานภพเจ้าชรลามลนะไล่มานะพอพูดมาถึงนิโรธทุกสมุทยัยนิโรธนิโรธที่มาลงรายละเอียดในเรื่องของความดับว่าให้คําว่าดับทุกเนี่ยนะพูดสั้นๆง่า ย, ายๆมันดับอย่างไรแลพระพุทธเจ้า ก, ก็ไล่มาตั้งแต่ว่า เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเถียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปใกล้กมาเสกรทั้งชาติชาราโมนะดับนะเป็นการอธิบายการดับของทุกโดยละเอียดและการเกิดขึ้นของทุกโดยละเอียดส่วนมัคคุเทศก็คือตัวศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะอีกมัคคุเทีหนึ่งที่อยากจะแนะนําซึ่งคิดว่าเหมาะสมนะกับ สถานภาพของพวกเราที่เป็นคารวะยังทำการงานอยู่ก็คือการเ <c oughs> จริญสัมมาสังกปะนะก็คือการทิ้งความคิดในทางอกุศลทั้งหลายความคิดในทางอกุศลผู้เจ้าจัดความคิดประเภทใยบ้างก็คือความคิดในทางกลางทางพฏิบติทางเบดิดเบดียนสามความคิดนีนะ้ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้พยายามละให้พยายามทิ้ง ให้ไวที่สุดทิ้งได้ไวเท่าไหรนะ่ผู้เจ้าก็เรียกว่าผู้นั้นมีอินทรีย์ภาวนาที่มีกําลังแก่กล้านะทิ้งได้ไวขนาดไหนผู้เจ้าชมก็คือทิ้งได้ไวเท่ากระพิตานะเกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจขึ้นมาแล้วทิ้งอารมณ์ได้ไวเท่ากระพิตาก็เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนั้นถ้าเร า, เาจัดกรอบของความคิดนะในกลุ่มที่เป็นอกุศลแล้วหมั่นทิ้งเรื่อยๆ ผู้เจ้าก็บอกว่าผู้เนี้ยกําลังเจริญสัมมาสังกปะผู้ที่เจริญสัมมาสังกปะนั้นผู้เจ้าก็บอกว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยจะได้สัมมาทิฏฐิเข้ามาด้วยคนคนนั้นที่มาทําเช่นนี้ก็มีความเห็นที่ถูกต้องนคนคนนั้นที่มีความเพียรอยู่อย่างนี้ก็เป็นความเพียรที่ถูกต้องได้สัมมาวายามาวายามะมาอีกหนึ่งสติที่มาคอยระลึกรู้อยู่ตรงนี้ก็เป็นสัมมาสติ สมาธิที่มาตั้งใจมั่นอยู่ที่จิตตรงนี้ก็เป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยเพราะฉะนั้นเราได้มรรคมีองค์แปดขึ้นมาพร้อมๆกันห้าองค์แล้วคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิส่วนที่เหลือนั้นผู้เจ้าบอกว่าส่วนอาชีวะของเขานั้นบริสุทธิ์แล้วมาแต่เดิมอีกสามข้อที่เหลือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะมันจะบริสุทธิ์มาแต่เดิมเพราะอะไรเพราะว่า เมื่อจิตมันไม่มีอกุศลนะกายวาจามันก็ทําอกุศลไม่ได้นะเพราะมันคุมมาที่จิตถ้าเราทิ้งอกุศลอยู่ตลอดเวลากายวาจามันก็จะไม่ผิดนะพรุทธเจ้าจึงให้คุมใจของเรามันก็จะเท่ากับคุมกายคุมวาจาไปด้วยและง่านมุมอีกอย่างในเรื่องของมัสมีองแปดก็คือการที่เราหยิบมัสมีองแปดองคใดองค์หนึ่งขึ้นมาทํานะ ไม่ว่าจะเป็นการหยิบสัมมาวาจาขึ้นมาทําสัมมารกรรมันตะขึ้นมาทําก็ตามพระุทธเจ้าบอกว่าเราเนี่ยได้ความเพียรที่ถูกต้องได้สติที่ถูกต้องได้สมาธิที่ถูกต้องควบคู่กันไปด้วยนะมรรคองค์อื่นเนี่ยจะถูกทําขึ้นมาพร้อมๆกันที่เราคุมวาจาให้ถูกต้องสี่สถานไม่พูดโกหกคําอยากไปเชื่อส่อเสียดนี่เราคุมอยู่อย่างนี้ <c oughs> ถามว่าเราต้องดูจิตเราไหมต้องดูเพราะว่าจิตเราเคลื่อนไหวไปทางไหน จิตเคลื่อนไหวจะไปด่าว่าเขาเราก็หยุดไม่ทำเพราะเราคุมวาจาตรงนี้อยู่ซึ่งค่อนข้างละเอียดละเอียดมากกว่าสินห้าเพราะสินห้าแค่ไม่พูดโกหกสัมปจาน้าวิสาวานแต่ถ้าวาจาให้ถูกต้องให้ครบก็คือในมักมีองค์แปสัมมาวาจาก็จะเพิ่มอีกสามระดับคือคำหยาบเพ้อเจร์และสอดเสียนดะเพราะฉะนั้นสินห้า น, นี้ไม่ได้รวมสามอันที่เหลือนะเน่อว่าคาบาลีก็คนละคกัน สัมผัปลาประวาทก็พูดเปเจอพระรุษาวานะอภิสุนทรวานก็จะคนละคำกันทั้งหมดเพราะฉนั้นในสิงห์าเนี่ยมันเป็นสัมปจานนิมุสาวาทเท่านั้นคือการไม่โกหกแต่ถ้าเราเพิ่มให้ครบสี่ประการมักมีองค์แป ก, ก็จะถูกทําขึ้นมาพร้อมๆกันซึ่งก็ไม่ใช่คุมได้ง่ายๆคนคนนั้นจะต้องดูจิตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หักห้ามใจฝืนใจฝืนความอยากตัวเองอยู่พอสมควรที่จะไม่พูด ว่าจะในลักษณะนั้นออกไป <c oughs> อันนี้ก็เป็นอาการแจกแจงมัควิธีในส่วนสัมมาสังัปต์เราทําจิตการงานอยู่เนี่ยก็พยายามทิ้งความคิดอกุศลเรื่อยๆเพราะนั้นเราก็จะทํางานได้ทําจิตการงานอะไรอยู่ก็ทําทําได้อยู่บ้านก็ทําได้อยู่ที่ทํางานก็ทําได้ไปอยู่วัดก็ทําได้ไม่จํากัด การเวลาสถานที่เครื่องแต่งกายทําได้ทั้งนั้นเพราะมันเป็นเป็นการทําในใจของเราที่คอยทิ้งอกุศลอยู่เรื่อยๆก็น่าจะเป็นมรรควิธีที่เหมาะสมกับความเป็นคารวะนั้นเราได้สองมรรควิธีและก็คือการละความเพลินละนันทีคือความเพลินการเจริญสัมมาสังกัปปะละความเพลินละแล้วให้จิตอยู่กับอะไรก็อยู่กับปัจจุบัน อยู่กับกายเขาไว้หรืออยู่กับอุบเบกขาเวทนาได้แล้วก็อย่าพยายามเพลินไปกับอารมณ์จิตที่กำลังเพลินอยู่เรียกว่าจิตมีอุปทานพระเจ้าบอกความเพลินใดความเพลินนั่นคืออุปทานเรียกว่าจิตมีอุปทานมีความยึดมั่นละในอารมณ์ก็จะแก้ปัญหาการเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เพราะจิตมีการเกิดมีการแก่การตาย อยู่ตลอดเวลาและเรายังไม่ได้ไปดับเหตุมั น, นผลมันก็เลยไม่ดับแล้วก็ต่อไปมีใครสงสัยจะถามอะไรไหมใครจะถามส่งเป็นคําถามเข้ามาก็ได้นะคะหรือว่าจะยกมือก็ได้นะคะคือเวลาปฏิบัติอะค่ะหลอ<ม>คือหลวงมีที่ที่เรียนมานะคะท่านบอกว่า จิตเน่ยมีหน้าที่คิดคือตนออกมาเองโดยเนื้อแท้เนี่ยมีหน้าที่คิดทีนี้เออหนูก็สังเกตว่าคือฝึกมันระยะหนึ่งแล้วอะค่ะแล้วก็สังเกตว่าในความคิดของคนเราเนี่ยความคิดคือความไม่จริงอย่างที่ที่ท่านพูดนี่ก็จริงแต่ว่าจิตเนื่องจากความคิดเนี่ยมันก็จะมีข้อเท็จจริงที่ผ่านมาอยู่ด้วยทีนี้เออเนื่องจากว่าเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราไมต้องการให จิตเรามีการปรุงแต่งก mm ็ hmm. คือจิตเนี่ยรู้ว่าเราคิด mm hmm. แต่ว่าเราไม่ได้ปรุงแต่งแต่ว่าจิตมีหน้าที่คิดหลวงพ่อ mm hmm. คะแต่เราต้องมีสมาเราจะต้องมีสติอยู่เรื่อยๆเนี่ยหร mm ืก hmm. ็่าเลยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรานรือะไรเนี่ยบอกมันกมน็มันก็คิดอยู่เรื่อยๆห mm hmm. ลวงพ่อแล้วอย่างนี้จะ๊ะ <Yeah. S 2> มันก็เหมือนกับมันคือในในคือเคยเคย t r a ยิ i n มานะค่ะหลวงพ่อ แล้วปรากฏ um, ว่าเราคิดบ่อยและเยอะมากในในในแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ถ้าเราดูโทรทัศนอย่างเงี้ยค่ะมันจัดแค่หนึ่งนาทีแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้เนี่ยจัดวินาทีเอาวินาทีเลยคือจิต <c oughs> คือปะทะปุ๊บ ค, คิดปะทะปุ๊บ ค, คิดคือหมายค่ะว่าเราเวลาที่ตาตาเรามองสิ่งนี้ปุ๊บเราจะคิดตามองสิ่งนี้ปุ๊บเราจะคิดคิดทันทีเลยเห็นทันทีคิ ด, คดทันทีอย่างนี้ตลอดเลยและจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราคิด ก็ถุกเรียนมาว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมปรึกปัชนาหลวงพ่อจะทํายังไงคะให้มีสติอยู่มากกว่านี้คะ่ะอืมคำถามคือทอํายังไงจะให้มีสตมิมากกว่านี้อีกมากกว่านี้ก็จิตมีหน้าคิดหน้าที่คิดก็ถูกอยู่จิตมีหน้าที่ไปรู้อารมณ์ไปคิดเป็นเน็ตไปรู้สุขทุกข์ แต่หน้าที่ของเราก็คือสร้างสติดึงกลับมาปัจจุบันทำแค่นี้นะต่างคมต่างทำหน้าที่จิตมันก็ทำหน้าที่ของมันเราก็ทาหน้าที่ของเราเราเล็กได้เราเล็กได้กลับมาปัจจุบันอ่า่างมันจ่างมันก็คือจิตมันเพลินนะเราละความเผลินมันเพลินเราละความเพลินอ่านั่นแหละก็คือเท่าที่ทำได้อยอมเล็กได้เมื่อไหรก็ออกกลับมาเมื่อ น, นั้นเล็กได้มื่อไหรก็กลับมาเมื่อ น, นั้น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 อืแล้วก็พินากายพินาอาหารเป็นธาตุสีพินาอาสุพะอะไรของเรไปเรื่อยอย่างนี้นะซึ่งก็ก็ถูกระดับหนึ่งนะพระเจ้าก็บอกถ้าอาวุโสนั้นมีก็ไปคิดเรื่องดีซะเรื่องดีก็คือพินากายพินาอาหารเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพินาให้เป็นของปฏิกูลก็คือเห็นโทษของมันจะปลวางอะไรได้พระเจ้าบอกต้องเห็นโทษของมันโทษของกายทําไงมันเปื่อยเน่าผุพังแก่แตกสลายอ่าโทษของนมามธรรมฟรีอะไร ก็ดับไปได้ใช่มันก็คิดก็แรกๆก็คือใช้ถ้าเดินมัฟวิธีแบบนี้นะต้องหยิบความคิดมาเพื่อถ่ายถอนตัวลูกแต่ถ้าจะปล่อยวางความคิดนะ่ะก็ต้องเฝ้าดูมันให้เห็นการดับของมันใช่ไหมก็แล้วแต่ว่าเราจะทําตรงไหนแต่ถ้าเราใช้วิธีละความเพลินก็ไม่ต้องเปลี่ยนมัฟวิธีอะไรก็ละความเพลินไปเรยในส่วนต่างๆทั้งหมดอื ม, มถูกต้องมันเร็วมากมนเนียนมากเพราะฉะนั้นแรกๆก็จะไม่ทัน นะมันจะรวดเร็วละเอียดยิบเลยพระเจ้าจึงบอกว่าพุทุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยว่าจิตนั้นเกิดดับเพราะจิตเกิดดับรวดเร็วมากละเอียดมากนะการเกิดของสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นไปตลอดอนันตการนะไม่มีทางเลยอพระเจ้าจึงบอกว่ายึดกายดีกว่ายึดจิตเพราะกายเนี่ยยังเห็นการแตกสลายทํำลายได้บ้างถึงจะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมแต่ก็ยังพอปล่อยวางได้บ้าง เพรเห็นการแตกสลายแต่ทําลายของมันแต่จิตครูา้าบอกไม่มีทางเห็นเลยเกิดดับรวดเร็วนั่นหน้าที่เราก็คืออย่างนเนี้ยเหมือนน้ามันไหลไปแล้วเรามีหน้าที่ตักน้ําใส่ตุ่มใช่ไหมแล้วเราจะไปโมโหน้าอ่ะน้ําไหลทําไมเนะียอย่าไหลรอฉันก่อนฉันจะตักให้เสร็จเนะียไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่โยนตักไปมีแรงตักตักไปตักไปใส่ตุ่มไปน้ำก็มีหน้าที่ไหลไปโยนไปมีหน้าที่ไปนไปั่งโมโหน้ําทำไม ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเป็นธรรมดาเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันไม่ดีเรื่องของมันอ่าหน้าที่เราทําแค่เนี้ยทําแค่นี้ยไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่ใช่ว่าปีสองปีมันจะได้มันนานนะมันนานมันทํากันนานนะซึ่งโยมคิดเลยให้เวลาร้อยปีตลอดร้อยปีชั่วชีวิตของเราเนี่ยก็ยังถือว่าไม่นานยังถือว่าเร็วเพราะโยมเกิดตายมาเป็นแสนเป็นล้านชาติเป็นกลับเป็นอสงไขยโยมใช้เวลาร้อยปีมันจิ๊บเดียวนะ ใช่อืมสาเร็จได้เนี่ยโว้มันสุดยอดแล้วน่ะอืมมันน้อยปีนี่ยังไม่นานทํามาห้าปีสิบปียังถือว่าอุ้ยนิดเดียวน่ะจิตมันยังไม่สงบว่าใจเย็นเย็นสมมติว่ามันต้องทําทําระยะเท่านี้เนี่ยแล้วโยมทําไปแค่นี้เนี่ยแล้วยมบอกว่าฉันยังไม่ได้ไอ้แค่เนี่ยรยมสิบปีละใช่ไหมแต่มันต้องทําท่านี้น่ะเหตปัจจัยมันยังไม่ครบอืมอืม มันเป็นธรรมดานั่นคือความไม่เที่ยงของจิตยงจะให้อะไรมันเที่ยงมันแน่นอนก็จิตมันไม่เที่ยงใช่ไหมเราคิดว่าเราทําแล้วมันต้องได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหไม่แน่นอนเลยอทําดีเดียวจิตสงบมาสี่ปีหปีปีที่หกไม่ได้เลื่องเลยเหลือเกินมันไม่ได้เคยได้ทําเลยมันก็เป็นไปได้นะเราต้องเห็นตรงเนี้แล้วเราจะรู้ว่โอ้โหไอ้จิตนี้มันไม่ใช่ของเราจริงๆมันพลิกเป็นลมปัญญาได้เลยอ โอ้โหฉันสั่งจิตทับนตายคุ้มจิตทัาตายจิตมันไม่ได้ช่วยกันเลยนะเนี่ยรวมถ้าปัญญานะเข้าใจไหมว่าก็ก็จิตไม่ใช่ เ, าเราเนี่ยเราคิดว่จิตเป็นเราเราต้องสั่งมันได้ใช่ไหมอืมมันไม่ใช่เลยใช่ใช่ อ, อ่อพอยงมองอีกมุมนึ่งเป็นปัญญาปุ๊บเนี่ยโอ้มันเป็นอนัตตายจริงอืมเราเลยสั่งมันไม่ได้นะใช่ไหมอืม คำถามที่ฝากมานะคะเราทํา ง, งานแล้วเกิดความเครียดนะคะถ้าเป็นเช่นนั้นคนทั่วไปส่วนใหญ่เขาจะคลายความเครียดกันด้วยการฟังเพลง อ, อย่างนี้ก็เรียกว่าเพลินในเพลงหรือแม้แต่การเล่นดนตรีต่างๆก็เกิดความเพลินเช่นกันเอย่างนี้เหมือนกับการสร้างพบชาติต่อไปใหม่หรือไม่ชัวร์ะใช่ใช่นะเป็นการเพลินในรูปเสียงขลินลดนะก็แสดงว่า เราพอใจในสิ่งสิ่งนั้นเราพอใจในสิ่งสิ่งใดเราก็จะเกิดความทุกข์เพราะสิ่งสิ่งนั้นเมื่อสิ่งสิ่งนั้นแปลบวนเปลี่ยนไปดับไปแตกสลายใช่ไหมครูเจ้าจึงว่าเราพอใจในสิ่งใดเนี่ยสิ่งนั้นมันจะสร้างความทุกข์ให้เราครูเจ้าบอกในในยะอดีตอนาคตก็ตามหรือปัจจุบันก็ตามฉันท่าเป็นมูลเหตุของความทุกข์เรามีฉันท่าในสิ่งใดสิ่งนั้นจะสร้างความทุกข์ให้เรา ให้ละชันธ์ะความพอใจออกเสียละความพอใจก็คืออย่าเพลินนะอืมมันจะโยงกันและประเด็นความเครียดเดิมแล้วเจ้าค่จากการทํางานควรจะทําังไให้ใคลายเครียดได้โดยที่ไม่ไปเพลินสิ่งอื่นน่ะเจ้าค่ะก็จริงๆแล้วเราเฝ้าดูได้เฝ้าดูจิตที่เครียดได้ว่ามันเครียดเครียดมันเกิดได้มันก็ดับได้นะจริงๆเราเฝ้าดูง่ า, งงายๆหรือเราเปลี่ยนเปลีย่ยนจากความเครียดมานั่งดูลมหายใจก็จริงๆมันก็ดับไปแล้วนะอืมแล้วไม่มีความเครียดอะไรมันเก็บ เก็บตุนไว้ในหัวใจหรอกมันดับแล้วก็ดับหายไปเลยการที่คิดว like like, nice. like ่ามันมีอะไรฝังไว้ในใจน่ะมันเป็นความเห็นภายใต้ตัวตนเป็นอวิชชาเป็นความเห็นผิดจริงๆเนี่ยจิตเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเกิดเดี๋ยวนี้ดับเดี๋ยวนี้น่ะไม่มีอะไรเป็นตัวตนฝังอยู่ไม่มีเป็นอวิชชาที่เห็นผิดคิดว่าโอ้ยไอ้เรื่องไม่ดีมันฝังอยู่ในใจเรามันมีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีน่ะจิตเกิดเดี๋ยวนี้ดับเดี๋ยวนี้อยู่ที่เราไปหยิบมันมาปะเราไปหยิบมันมามันก็เกิด สรรพสิ่งในโลกนี้มีเพราะว่าจิตเข้าไปรับรู้ถ้าจิตไม่เข้าไปรับรู้สรรพสิ่งในโลกนี้ก็ไม่มีถ้าจิตไม่เข้าไปรับรู้เพราะนั้นให้เรารู้เลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามมันมีมาเพราะว่าจิตไปรับรู้นามลูกจึงเกิดได้เพราะปัญญาณผู้รู้ถ้าปัญญาณไม่เข้าไปสร้างนามลูกนามลูกก็ไม่มีที่ใดไม่มีนามลูกผู้ย้าบอกเอเสวันโตทุกขสัตว์นั่นแหละคือที่สุดของทุกคือที่ที่ไม่มีลูกนามอ่า ระดับแรกๆบอกไม่ฟังเพลงโยมเทียดตาก็จัดสรรเวลาในการฟังก็ได้ให้มันลดลดลดลดลงนะอาจจะในท่านจิตมีกําลังนะมันก็ไม่คอยอากไปฟังเท่าไหร่นมาฟังเสียงสดนมทนมาฟังธรรมะแทนนะหาความสุขได้โดยไม่ต้องมีรูปเสียงกินรสก็ได้เป็นสุขที่ไม่เกิดจากอามิ t h สุขที่เกิดจากอามิ t h คือสุขที่เกิดจากรูปเสียงกินรสใช่รู้สึกว่ามันน่าพอใจ แต่ถ้าเราได้ได้ฝึกการทำสมาธิเราก็จะรู้สึกว่าเออเราไม่ต้องมีรูปสิ่งอื่แล้วเราก็มีความสุขได้นะียสุขก็เกิดจากการเที่ยงอารมณ์วางอารมณ์ไปเรื่อยๆเนะี่ยจิตก็เบาสบายละเอียดเรานั่งดูลมหายใจไปเรื่อยเนี่ยลมหายใจจะละเอียดละเอียดะอียดไปเรื่อยเหมือนปืเมืดเลยนะี่ยเราก็รู้สึกมีความสุขพระเจา้าเรียว่าสุขที่ไม่อิงอามิตรนะีไม่ต้องไม่ต้องอิงอาศัยอะไรแค่จิตวางอารมณ์วางวางวา ง, วางไปเรื่อยอเรื่องสองเรื่องวางอรูปสนได้ชันได้หนึ่ง วางวิตกวิจารได้ฌานที่สองวางปิติได้ฌานที่สาวางสุขได้ฌานที่สี่จิตก็มีความสุขแล้วนี่ยการตั้งใจวางกับการวาง <c oughs> ของเขาเองตามก huh. ระบวนการหรือกลไกที่สุดรอบนี่นะ huh. นคะ huh. มันจะต่างกันบ้างหรือไม่ใช่คะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราไปดักอาการก่อนที่มันจะสุดรอบหรือไป huh. วางก่อนที่มันจะถึงกลไกที่สุดจริงๆเนจะถือว่าเป็นการแก้อาการหรือเปล่าใช่ไหมอ ระ Africa, dinheiro, s> <S ดับพระเสกขะปุถุชนพระเสกขะโสดาสิกาคานาคาอล่าตมะก็ต้องมีการกระทําเข้าไปผู้ย่อมบอกระดับพระเสกขะเนี่ยเธอต้องยุบต้องไม่ก่อต้องคว้างทิ้งไม่ถือเอาต้องทําให้กระจายไม่ทําให้เป็นกองเธอย่องทาให้มอดไม่ทําให้ลุกโผล่เธอย่อมยุบซึ่งหลายยุบซึ่งกันหน้าไม่เกาะซึ่งกันหน้าเธอต้องคว้างทิ้งซึ่งไหลคว่างทิ้งซึ่งกันหน้าขันรื่อกําลังกําลังเกาะตัวมาปุ๊บต้องคว่างทิ้ง อย่าถือเอาน ะ, อะต้องทําให้กระจายไม่ทําให้เป็นกองซึ่งกันธ์ห้าเห็นไหมทำให้หมอดไม่ทําให้ลุกโปลงขันธห้ามันเกาะตัวมันลุกลงแล้วนะเธอต้องทําให้หมอดนี่คือระดับพระเศคาะ์ต้องมีการกระทําถ้าไม่มีการกระทําสติจะถูกฝึกขึ้นมาได้ยังไงเห็นไหมสำมาวร า, ามะมีทําไมเห็นไหมคําพุทธเจ้ามันก็ขัดกันการกระทำต้องมีเข้าไปไม่มีเข้าไปถึงระดับหนึ่งนะบุคคลนั้นจะต้องหาเรียกว่าหาความสมดุลของธรรม เพียนอย่างไรจริงจะเพียนพอดีนะเพราะนั้นถ้าเราไปวางความเพียนตรงนี้ก่อนก็เลยไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมการที่จะวางความเพียนตรงนี้อยู่ในระดับท้ายๆก็คือว่าอาระดับอุทธจักรกุกจกัก็คือปารลดความเพียนจัดเกินไปใช่ไหมต้องจุดละนะนะระดับอานาตมรักเนี่ยขยับไปเพียนะ้ยนเออไม่ได้แล้วจิตขยับผิดนะก็ต้องหาความพอดีจริงๆแต่มันไม่ใช่วิธีของ ผู้ที่กาลังเดินมัดเข้าไปในระดับแรกๆใช่ไหมแรกๆก็ต้องมีการกระทําเข้าไปทําเข้าไปทําเข้าไปทำให้ถึที่สุดนะแล้วมันจะหาความสมดุลหาความพอดีได้ได้เองแต่ถ้าผลมันเกิดแล้วเป็นพผลานแล้วกูเจ้าก็บอกว่าเธอไม่ยุบไม่ก่อกิเลสที่จะยุบก็ไม่มีกิเลสที่จะก่อก็ไม่มีเธอย่อมไม่คล้องทิ้งย่อมไม่ถือเอาย่อมไม่ทําให้กระจายไม่ทําให้เป็นกองเธอย่อมไม่ทำให้ม้อไม่ทําให้ลุกลงไม่ทั้งสองอย่างเห็นไหม คนคนอะอย่างกันแล้วนะแต่แรกๆร่องคว้าไม่ถือทําให้กระจายไม่ทําให้เป็นกองพระพุทธเจ้าจะพูดปรับกันนะเพราะนั้นระดับของผู้ที่เป็นเสคารบุคคลกับระดับพ่อหลาน เ, าเราเราไม่เอามาปนกันนะเพราฉะนั้นเราก็ต้องยึดเจตนาของเราไว้ก่อนถ้าหากว่าเหลือไปเห็นเจตนามันจะสารต่ออืตรงนั้นก็ต้องระ ง, งับเอาไว้ด้วยความรู้เท่าทันใช่ไหมเจ้าค่ะเจตนาจะสารต่อเพราะอยู่ที่ว่าสารต่อในเรื่องอะไร ถ้าสารตอนนี้เรื่อมมั่กวิธีก็ก็ให้มันเดินมั่กวิธีต่อไปได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ไม่กล่าวกัาอความสําเร็จอหรหัตผลด้วยด้วยศัพท์ ว, ว่าพอใจต้องมีการศึกษาตามลําดับการประพฤติตามลําดับการปฏิบัติตามลําดับไปเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้อะอะมีหลายคนจดโน้ตกันเป็นแถวเลยนะคะ มีอะไรที่จดได้เป็นความเข้าใจก็แบ่งปันกันบ้างก็ได้หรือถ้าหากว่าไม่แน่ใจว่าจดถูกหรือเปล่าเรียนถามพระอาจารย์ซ้ำได้นะคะข้างหลังนะคะมีคำถามสักครู่ค่ะเดี๋ยวไม่จะไปถึงวันนี้พี่ตปวิ่งเองค่ะายมั้งมน้าก่อนเลย คิดทำกุศลใช่ไหมอ่าโยมเลี้ยมมันไปก่อนเร่ยเลยก็ได้ไม่เป็นไรจป็นราจะเห็นโทษของมันนี่คือสัมมาวายามะเนี่ยละอกุศลสร้างกุศล น, นี่แต่กุศลที่ละเอียดขึ้นเรื่ยขึ้นโยก็จะเห็นขึ้นเร่ยว่าเออไอความคิดกุศลของเราเนี่ยอดูดูไปมันก็ทุกข์เหมือนกันนะอ่าถ้าเราทําความดียมากมีคนมาว่าเราโอ้คุณยังไม่ดีเลยทำความดีเอาหน้าเอาตาแล้ว เครียดอีกหลายคนนี้มันว่าเรานะมันไม่ดีนะทุกข์ก็เกิดขึ้นได้นะเพราะนั้นกุศลมันก็ยังสร้างความทุกข์ให้เราได้หรือมันยังเป็นเป็นการที่ทําให้มีการเกิดขึ้นมาได้การเกิดยังไม่อยู่เหมือนกับพระอนาคามีเนี่ยหลูละ ก, กิเลสได้ต้องเยอะต้องเยอะแต่พระเจ้าบอกอนาคามีละ ก, การเกิดของจิตไม่ได้ทําให้นาคามีต้องไปเกิดอีกภพหนึ่งเพราะมันยังมีการเกิดอีกกุศลมันก็เป็นเหตุให้จิตเนี่ยมีการเกิด เกิดในภพที่เป็นกุศลใช่ไหมไปเป็นพรหมโลกเทวโลกแต่จะเป็นเป็นพรหมเป็นเทวดาก็ตายหมดเหมือนกันนะไม่มีใครที่ไม่ตายนะอืมมายนี้ไม่ดังเนาะ <c oughs> เราควรจะละด้วยใช่ไหมเรื่องความพิดกุศลถูกต้องถ้าเราเข้าใจขนาดนั้นเนี่ยเราทิ้งทั้งคู่เลยไปเลยพร้อมๆกันก็ได้แต่พอบอกทิ้งทั้งหมดดูเครียด <c oughs> <c oughs> เพราะว่าสติมันตามไม่ทันโยมยังไม่ได้ยังไม่ได้ฝึกลำดับของการทิ้งใช่ไหมจากหยาบยาไปสู่ความละเอียดมันพอทําทีเดียวทั้งหมดในเดยโยมอ่ะแล้วที่ฉันจะทํางานไงคู่ฉันเริ่มเครียดแล้วมันก็มีปัญหาตามมนเรื่อยๆนะเพราะนั้กวิชาคู่ถูกแล้วล่ะวาเออทิ้งอกุศลไว้ก่อนนะทิ้งของหนักก่อนทิ้งของที่มันหนักมากที่สุดก่อนวางก่อนของที่มันจะทําให้เกิดการเบียดเบียนกันขึ้นเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนสังคม ใช่ไหมอ่าอย่างนี้ลองให้ตามดูกุศลไว้ก่อนเลี้นงไว ah ้ก่อนขอบคุณ uh, น้อมมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอเมื่อตะกี้นี้พระอาจารย์มีพูดถึงตัวที่อให้เราเริ่มจากตัวสัมมาสังกัปปะใช่ไหมเ้าคะที่ว่าละกามแล้วก็ในเรื่องของปียบานแล้วก็เดียดเปียนใช่ไหมเจ้าคะนี่ในปัจจุบันถ้าเกิดว่า หนูไม่ได้ค่อยได้นึกถึงตัวนี้ะค่ะแต่ว่าหนูจะเน้นแค่ที่ว่าเราดูกายดูใจอะค่ะก็คือเรารู้ให้บ่อยเท่าที่เป็นไปได้ด้วยความสบายสบายไปนะคะทีนี้ตรงนี้ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยมันก็หมายถึงในขณะนั้นเนี่ยมันก็ได้ทํำเจริญของตัวสัมมาสังกัปปะไปด้วยแล้วใช่ไหมจังหว่ะเนื่องจากตอนนั้นถ้าเกิดมีสัมมาสติอก็เป็นสัมมาสมาธิ ถูกไหมเจ้าคะ่ะถ้าเกิดหนู<ค>ไม่ได้ไปดูตัวที่เป็นสัมมาสังกัปต<ช>์อะค่ะแต่ว่ามาเน้นในการที่เราดึรูเข้าที่จะดูจิตได้ใช่ใชยังงี้อ่ะเจ้าค่ะถูกต้องแล้วเพราะขนาที่จิตอยู่อยู่กับกายเน่ะจิตก็ไม่ได้ไปคิดอกุศลไงมันก็ทิ้งอกุศลด้วยอัตโนมัติอยู่แล้วเห็นไหมยังจึงได้สัมมาสังกต์มาด้วยพระเจ้าจึงบอกนะเมื่อทำมรรคองคไดองค์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยองค์อื่นมันจะได้ขึ้นมาด้วยเนี่ยพร้อมพร้อมกันเลยอืม เมืม่อเเมมืื่่ออกี้พระอาจารย์มีอธิบายเรื่องสัมมาสังกปะคือว่าหนูอยากจะกลับมานิดนึงค่ะเมื่ี้พอดีฟังตรงนี้เสร็จแล้วอหนูมีเหตุปัจจัยอื่นให้ไปสนใจเรื่องอื่นนะั้นเจ้าค่ะเพราะครัไ้ไม่ทีพร ะ, าะอาจารย์บอกว่าก็ไปถึงสัมมาวายวาจาสัมมากรร ม, มันตาแล้วก็สัมมาชีวะเลยแต่ว่าในช่วงที่พอความีสัมมาวาย สังกปะแล้วอะค่ะ uh huh. อาจารย์มีพูดตัวอื่นยังไงบ้างนะเจ้าคะขอขยายกว่ามิลิตรหนึงเจ้าคะอ๋อก็ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรในเรื่องของสัมมาสังกปะก็คือว่าทําได้ทุกที่นะอจะทําที่บ้านที่วัดที่ทํางานเราก็ทําได้หมดแล้วก็ไม่จํากัดการเวลาสถานที่บุคคลอะไรก็ตามมันง่ายเป็นการกระทําในใจนก็คือแยกกลุ่มของของความคิดนะเป็นกลุ่มความคิดอกุศลก็ให้พยายามหมั่นทิ้งเรื่อย การหมั่นทิ้งตรงนี้ก็เป็นการฝึกสติของเราค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆไม่งั้นมันไม่ทันนะจากนั้นเมื่อเมื่อสติตรงนี้เร็วเราทิงอกุศลได้ไวแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเราค่อยๆๆเห็นเรื่องความคิดอกุศลเองแล้วมันก็จะค่อยๆตามทิ้งไปเรื่อยๆนะอ่าทีนี้เราก็จะเริ่มทิ้งได้เกือบทุกความคิดละง่ายละนะความคิดก็จะไม่เป็นนายเราเราจะเป็นนายความคิดละมันจุงเราไม่ได้นะมันจะคิดอะไรไปดีไม่ดีอยู่ที่เราเลือกละเราจะทําตามมันหรือเปล่า ใช่ไหมและการจเจริญสัมมาสังกยาอีกอย่างนะเป็นเหตุให้หมู่ชนนั้นเนี่ยเกิดความสามัคคีนีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งพู้เจ้าบอกว่าถ้าท่านไปในหมู่ชนใดและหมู่ชนนั้นเนี่ยไม่มีความทะเลาะเบาแหวงกันมองดูกันและกันด้วยสายตายแห่งความรักอยู่เข้ากันได้ดุดน้ำนมกับน้ำท่านเชื่อได้เลยว่าหมู่ชนนั้นเนี่ยมีการจเจริญสัมมาสังกปาอยู่ตลอดเวลาทิ้งความคิดในทางการไพาบาทเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลา เพนั้นอันนี้เราไปใช้ในองค์กรได้ในหน่วยงานเราเนี่ยเอ้าช่วยกันเจริญมรรควิธีนี้แล้วเรามันสามัคคีกันไม่ทะเลาะเบาแวงกันนะยังไงให้ขณะที่เจริญตัวสัมมาสังกัปปะแล้วะค่ะในขณะนั้นก็คือตัวสัมมาสติจะเกิดด้วยใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องแล้วตัวสมาธิทวนอื่นก็จะตามมาใช่พุทธเจ้าบอกให้เจริญสัมมาสังกัปปะเนี่ยได้มากคมาครบห้าองค์เลยนะสัมมาสติก็ได้ ผู้นั้นชื่อว่ามีความเห็นที่ถูกต้องที่มาทำย่างนี้นะความเพียรก็ถูกต้องนะเพียรถูกสติที่มาคอยระลึกรู้ว่าเอ้ยคิดว่าอากุศลหรืออย่างตั้องทิ้งไปก็เป็นสัมมาถสติขณะนั้นเราต้องตั้งใจมากลงที่จิตอยู่แล้วนะก็ได้สัมมาสมาธิเข้ามาด้วยเราได้มากขึ้นมาห้าองค์พร้อมๆกันไนะม่เข้าใจในเรื่องบาลีเพิ่งเข้ามาปฏิบัติทำมีทำไมมะอ่าไดใหม่ละอืม แล้วการพยาบาทเปิดเบียนใช่ไหมอืมไม่ใช่จะอยู่แต่ไม่หมดนะอืมมันคืออะไรครับหลวงพ่อเช่นจิตหรือว่าอ่เป็นอธิบายเรื่องกามนิดหนึ่งกามเนี่ยคือความควายินดีในอายตนะของกายน่ยได้เห็นรูปพาใจนี่กาม ไม่จำเป็นจะต้องเป็นในเรื่องของการเสพกามอย่างเดียวโยมเดินไปเห็นดวงอาทิตย์สวยๆนี่กามแล้วพอใจเดินเข้าไปในปา่าได้ยินเสียงนกร้องเพ้โอ้นกมันร้องเพาอไปแล้วนี่กามแล้วเพราะพอใจทำหูเสียงฟังเพลงเพราะๆเพลงนี้เ พ, พอจําไปซื้อซีอซอดีแผ่นนี้มาแล้วนี่กามแล้วพอใจ อกอีกคำถามนะหลวง่อหนุ่มน้ำขอโทษใจอ่าฮะใช่ใช่อ่าฮะก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็คือเราเราเราเราพอใจแต่โยมไม่ได้พอใจในเสียงนะการพอใจในธรรมคือความเข้าใจในธรรมนะผู้ชจ้าโยมแยกนะผู้เรื่องนี้ท่านแยกไว้ท่านบอกว่าพระที่ขับเสียงยาวเนี่ย เช่นพวกแรมพวกวาไลทั้งหลายเนี่ยบอกว่าคนที่ฟังก็จะเกิดความกำหนัดในเสียงแม้ตนเองก็กำหนับในเสียงพระรุ่นหลังก็จะเอาตัวอย่างคุยช่างฝาบอาบัต์เอาไว้ด้วยนะวันนั้นนี่ยพระที่ทำอย่างนั้นก็คือทำผิดนะอันนี้เรามาเริ่อวินัยด้วยก็ได้วันนี้เอาอริยวินัยมาแจกใครต้องการรู้ว่าพระดีไม่ดีเป็นยังไงถาำได้อย่างกรณีธรรมะเดลิเวอรี่ล่ะคะผู้เพลินแล้วก็สนุกอะคะ จริงๆเนี่ยผิดพุทธประสงค์เนี่ยพระเจ้าไม่ได้ให้ทําอย่างนั้นย้อดูหลวงพ่อชาเนี่ยชื่อเสียงดังไปทั่วโลกลูกศิษย์ฝรั่งคนไทยมากมายทั่วโลกไม่เห็นต้องตลกโปกฮาอย่างนั้นเลยหรือสนุกสนานก<น>็นคุยธรรมะธรรมดาคุยเรื่องจริงเรื่องตรงใช่ไหมคุยธรรมะพระเจ้า<น>อืมก็เผยได้ได้ไปทั่วโลกใช่ไหมไม่เห็นแปลกเลยอืมคนเราไปไปคิดว่าเออต้องพุยตลกสนุกมันถึงจะดีนะถามว่า ประโยชน์มันได้อะไรเท่าไหร่และจริงๆพระเจ้าว่าห้ามไว้เนี่ย อ, อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ถูกไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะไม่ไม่ถูกหลักคาสอนพระเจ้าไม่ถูกทำไม่ถูกวินัยเพราะทำทาให้ญาติโยมเกิดกามคือพอใจใอความตลกนั่นใช่ไหมค ะ, ะใช่ใช่เพราะว่าเราพอใจเนี่ยเราต้องพอใจในธรรมเนี่ยเพราะจะเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์คือการประพฤติปฏิบัติเกิดขึ้น เราไม่ได้พอใจในเสียงที่ไพเราะของท่านหรือความสนุกสนานเพื่อเพลินที่ท่านแสดงอยู่อย่างนี้ก็อยู่ที่ว่าอันความพอใจของเรานั้ น, นมันเกิดจากพื้นฐานของอายจตนะของกายหรือเปล่าเราก็ตรวจสอบไปการปรุงแต่งของเราความพอใจของเราเนี่ยเราถอยไปอย่างสมมติว่าอาตมาเดนินบินถาศาดไปปุ๊บเนี่ยได้ยินเสียงเพลงมาปุ๊บ เว่ากันึกโอ้นี่เบสธงชัยมันร้องนะฮะแล้วเรามาพอใจอ่ะนี่ก็เลยมีกามละวใช่ไหมเพราะพอใจเราก็ถอยไปเอ๊ะเราพอใจที่มันพอใจเพราะอะไรอ๋อเพราะเราปรุงแต่งปรแต่งเกิดจากอะไรปรุงแต่งเกิดจากเสียงหูก็ทุกเสียงอ่าพอเราไล่ไปเพราะอะไรมีอะไรจรงจริงเพราะอะไรเกิดอะไรจรงเกิดนี่ไล่ตามสายปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมอ่าความพอใจอยู่ๆจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ต้องมีมีเหตุที่มาพอใจเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะผลสัตย์ ใช่ไหมอ่ามันมีภาษาทางธรรมลมขึ้นมาเราพอใจธรรมลมแล้วธรรมลมนี้เกิดจากอะไรล่ะอ๋อภาษาทางตาเพราะฉะนั้นเหตุเกิดของมันมันมาจากรูปตามันก็เป็นกามแต่ถ้ามันมาจากธรรมลมล้นล้วนอยู่ๆมันลอยขึ้นมาลึกขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยพูะเจ้าไม่ได้จับเป็นกามนะ่ะอืออ๋ออาจารย์ถ้าเราทิ้งตรงนี้ก็คือละทิ้งทันไ ด, ได้ทันก็คือว่าทางอากุศลใช่ไหมคะแบบนี้อ่าใช่ใช่เรียกว่าถึงอกุศลได้ทัน พระเจ้าจ oui, hmm. ึงให้คําจํากัดคำความคําของคำว่ากาลเนี่ยคาจำกัดความของคำว่กามก็คือความกําหนัดไปตามอํานาจความตรึตรึกนั่แหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกนั้นหาใช่กามไหมแต่ความกําหนัดไปตามอํานาจความตริตรึกก็คือความพอใจในความคิดนั่แหละคือกามเพราะฉะนั้นถ้าเราทิ้งความคิดได้เราก็ละกามได้เพราะนั้นการละกามจริงๆคือต้องละความคิด มันเกิดจากอายจตนะของกายเนะราหยุดความคิดได้นั่นคือระวังกามได้เพราะงั้นคุณพิณาอาสุภะเนี่ยมันจะจบยังไงใช่ไหมมันก็ต้องจบด้วยการเห็นว่าอาสุภะก็เป็นการปรุงแต่งของจิตเพราะว่าอาสุภะมันจะไม่ได้ถูกนะจิตเนี่ยชอบสุภะคือปรุงสวยพระเจ้าก็ให้เวียงไปเลยนี่พิณาอาสุภะไม่สวยแต่มันก็คือการปรุงแต่งของจิตเหมือนกันคือข้างหนึ่งคุณปรุงสวยอีกข้างหนึ่งคุณปรุงไม่สวยมันยังไม่เป็นกลางนะ ใช่ไหมอ่ามันต้องวางอุเบกขาได้ทั้งการปรุงสวยและไม่สวยนั่นแหละถึงจะจบกระบวนการใช่ไมืมถ้าใครเดินมากวิธีนั้นก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยอืม่มมม า, านี่ก็ต้องมีสติตลอดเวลาเป็นมินิทมินิทเหมือนกันนะคะก็แล้วแต่กําลังของเราเราทําได้แค่ไหนก็เท่านั้นนะเพราะว่าธรรมาสังกัปปะที่พูดถึงเนี่ยคือละความ ยินดีในในลูปรถกินเสียงงั้นคนที่เขามีครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเขามีภรรยาหรือว่าอย่างอย่างคนที่โสดยังมีแฟนและยังมีกิ๊กอย่างนี้ก็แสดงว่าพวกนี้ก็ยังไม่มีสามารถสังกัปปะอยเงี้ยเหรอคะอ่าไม่ของเรื่องนี้หลายคำถามหลายคำตอบเลยนอกจากทีละอันนะ <c oughs> ถ้าถ้ามีแฟนธรรมดามีคู่ครองก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ม่ได้ผิดอะไรอ่าพึงพอใจมันมีกลอบของศีลเข้ามาใช่ไหม โสดาพันก็ยังมีเขอาครัวได้นักวิสาขาก็มีลูปเป็นขยงเนี่ยใช่ไมอ่าไม่ไม่ไม่ใช่ตัวตัวสัมมาสังปะเป็นการทิ้งความคิดการไปการไปบัตรเด็ดเบียนสามความคิดนี้ใช่อ่าส่วนในเรื่อ ง, องของของของการนั้นเนี่ยนะก็คืออ่าทุกอย่างที่ตาหูจมูกลิ้นกายห้าอายตนะของกายเกิดพอใจขึ้นมานั่นแหละคือกรรมอืม ตัวตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างเนี่ยเรียกว่าการมาคุณเครื่องไต่ต่อให้เกิดกามเนี่ยมันไม่ใช่ตัวกามมันเป็นเครื่องมือทําให้เกิดความคิดขึ้นมาแล้วเราพอใจในความคิดนั่นแหละคือกามมยอืค่อยค่อ ย, อ ย, อยพิณายอันนี้ต้องใ่ค้คุนพอสมควร้เชินข้างหลังกราบรัชการค่ะอาจารย์คือจะจะถามเกี่ยวกับ ความง่วงอะค่ะแต่แต่คือเป็นความง่วงคือหนูเคหอ่านหนังสือค่ะที่บอกให้พิจารณาเวลาความง่วงก็ลุกไปลุกไปเดินหรือไปทําอะไรแต่ทีนี้แบบเวลาเราง่วงแบบเวลาสวดมนต์หรือแบบเวลาฟังธรรมะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเราควรจะทํำยังไงแบบเพราะว่าบางทีความง่วงมันมาแล้วครั้งหนึ่งเนี้ย ม, มันเหมือนกับมันก็ยังมันเราดูไม่ทันเนี้ยมันก็จะหาวหาวที่ต่อกันแบบเป็นสิบๆครั้งเลยอ่ะ ไม่ไม่ตป็นไรหาแล้วยังไม่หลับไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบมันมีสรรพงบไปเลยอะไรเงี้ยมันก็เคยมีอะค่ะอันนี้อันนี้อันนี้จริงๆเราเราควรปฏิบัติยังไงอะค่ะวิธีแก้ง่วงพระเจ้าก็บอกไว้หลายอย่างเนาะอืม้แยงหูมองดูดาวน้ํารูปหน้านะอืมคิดไปคิดเรื่องอื่นไปสาธยายทำรรนะขณะที่ง่วงเนี่ยมันกำลังเคลิ้มในอารมณ์ใดพระเจ้าบอกรีบทิ้งอารมณ์นั้นแล้วไปหาอารมณ์ใหม่คิดเนะืม แล้วก็ถ้ายังไม่หายนะไปเดินเปลี่นอะิรียบทเดินจงกรมนะถ้าทำมาทั้งหมดแล้วยังไม่หายโยมไปนอนใช่ไมตมาแล้วก็ภาวนาต่อนะอื <c oughs> ่ไหมอาจารบางทีเรานั่งสมาธิบางทีเป็นครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็นั่งไ ด, ได้ได้โอเคนะคะ <c oughs> แต่บางทีหลังจากนั้นแล้วบางทีหาวบ่อยมากไม่ทราบว่าเกิดจากอะไระคือว่าบางที <c oughs> เรื่องความเพลียของร่างกาย นะการกิเลสของเราบางที่มันปนกันเพราะนั้นทั้งง่วงเนี่ยนะอาตมาแนะนำละนอนก่นอน อ, อ่ะอ่ะอาตมาอยากให้นอนให้สบายเลยนะแล้วตื่นมาทำํำนะทําสมาธิที่ดีตอนตื่นนะโยมเอาประสิทธิภาพในการทำเออสวยงอปากเอตาโหนถ้าจะแต่นี่นั่งแล้วค่ะนั่งเสร็จแล้วค่ะม่มีอาการแบบนี้ค่ะอืมมีการานั่งก็ไม่ง่วงนะคะออา แต่ละนีหลัลงนั่งแล้วง่วงเอาก็ดูสิมัานาไงนะคะมันขาแตกใจสมัย<ะ> ต, ต้องขาตอนนั่งยังไม่เห็นง่วงเลยอ๋อนี่หลังนั่งแล้วนอนเลยหม <c oughs> <c oughs> ดพลังจิตแล้วก็จะสบายมากไม่ต้องง่วงตอนนั่งถ้าง่วงตอนนั่งอย่าฝืนสักครั้งสองครั้งก่อนเนี่ยถ้าสู้ไหวเนี่ยมันจะมีบางจังหวะที่เราสู้ไหวแล้วอู้หจิตมันตื่นเราจะเห็นเลยว่า โอ้ยง่วงมันแก้ง่แค่นี้เองแค่พลิกความเห็นนิดเดียวมันสดชื่นขึ้นมาเลยใช่ไหมเหมือ น, นเราตกใจหรืออะไรขึ้นมาถ้าอยากความม่วง ม, มันตุ๊บหายไปเลยเฉยๆเราก็จะเห็นว่าความม่วง ม, มันก็เป็นอนิจจังเนี่ยมันเกิดได้ดับได้นะแล้วถ้าเราฝึกชนะความม่วงเรื่อยๆนะโอ้ความม่วงนี้สู้ง่ายมากเลยพลิกอารมณ์นิดเดี่ยมันจะหายไปเลยนะแต่ถ้าสู้ไม่ไหวกําลังยังไม่พอก็พักก่อนเอาไม่เป็นไร ค่อยๆค่อยๆทำสมาธิไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะเริ่มตื่นเริ่มมีกําลังแล้วความง่วงมันจะค่อยๆลดลงไปลดลงไปเองแก้โดยหลักธรรมชาติสร้างตร ง, งนี้ให้มากทําตรงนี้ให้อ้อยสร้างสมาธิให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวมันค่อยๆหายไปเองไม่ต้องไปพะวงมันมากอืมอันนี้เป็นคำฝันค่ะ จากกรณีของคนที่ง่วงนี่นะคะมาสู่คนที่ไม่ง่วงเลยนะคะหลังจากที่เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานบอกว่ากลับบ้านแล้วนอนไม่ค่อยหลับนะคะเราจะให้ทํำยังไงดีชจ้าค่ะไ อ, อ, อ, อ, อคนไม่หลับเนี่ยนะใช่จิตมันเติมตลอดนะคนไม่หลับที่อยู่ส่วนไหนมันมีเรื่องคิดนจิตมันมีเรื่องคิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราวางความคิดได้เนี่ย S <S <an> <S เดี๋ยวจิตมันก็หลับไปเองเรามาอยู่กับลมหายใจดูลมหายใจเนี่ยว่าธรรมาแนะนําไปหลายคนบอกว่าโอ้พัญยานอนหลับอย่างดีเลยนะอ่าพอนอไม่หลับเนี่ยรู้ลมหายใจดูเท่าลมหายใจรู้สึกลมเท่าลมออกเดี๋ยวก็หลับแนละ้วบ้างเดียหลายคนที่กินถึงไหนินยานอนหลับตาเขียวดํางครั้งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกินยาแลนะนะอืมนอนดูลมหายใจไปบอกโอ้อาจารย์ครับยานอนหลับแทนเลยนะสบายนะไม่ต้องพึ่งยาพวกนั้นธุรกิจก็เหมือนกัน บางคนก็เข้ามานอนไม่หลับก็พานั่งสมาธิดูลมหายใจไปวิธีมีสติในการนอนผู้เจ้าบอกว่าก่อนนอนเนี่ยให้ตั้งจิตว่าจิตเราจะไม่ไหลไปกับอกุศลน้ำปวงแล้วน้อมจิตไปเพื่อการหลับก็คือให้หลับไม่ต้องไปฝืนดูเอ๊ะมันจะหายใจสุดท้ายเมื่อไหลแล้วอตื่นตลอดทั้งคืนตายพอดีนอืมผู้เจ้าไม่ได้สอนตรงนั้นไม่ไม่เคยมีบอกสอนว่าอาจจะต้องจ้องดูนะว่าก่อนหลับเป็นยังไงอะไรยังไง ไม่ต้องคุณชาบอกการมีสติในการนอนก็คือก่อนนอนตั้งจิตว่าจิตเราจะไม่ไหลไปกับอกุศลน้ำปึ้งแล้วน้อมจิตไปเพื่อการหลับไปเมื่อหลับไปน่ะไม่ได้อดนอนเพื่อพักผ่อนตามสมควรมี น, มนั่งสมาธิมามีแสงมาจะไปสนใจอือ่าก็ช่างมันน่ะมันมีได้ก็ดับได้เป็นของเกิดของตายเหมือนกัน อ่ามันมันนานดับเพราะว่าเราไปสนใจมันถ้าเราไม่สนใจโยนทิ้งเลยมารู้ลมหายใจก็ดับไปเลยเพราะจิตรับรู้ได้ทีละเรื่องนอือฮเวลาเร่องมันมีสมาธิอะมมีเหมือนกับว่ากระตุกกระตุกไปหลักพอพอพอรู้พ่กระตุกสีนี้คืออะไรไงอือฮะก็จิตมันมันมันไปตามอารมณ์ไงอยมมันมันลืมอารมณ์กรรมฐานของเราแล้ว ลืมส like, ิ่งที่เราตั้งไว้เมื่อจิตมันไปตามอารมณ์มันก็จะมีอาการสารพัดอาการบางคนก็น้ำลายเต็มปากบางคนก็กระตุกบางคนก็งอิ้หลังกวมหน้าอะไรคือสารพัดอาการนะออย่าไปสนใจจิตมันยังไม่สงบมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าสงบแล้วเนี่ยตัวเบาสบายจะตั้งตัวให้ตรงขนาดไหนก็ได้นะบังคับกายง่ายกายมันจะเบาจิตเบานะ เ, เราอย่งไม่สงบจิตมันนี้ไม่เข้าสู่ความสงบเราก็พยายามารู้อยู่กับลมหายใจของเราอยู่กับลมกรรมฐานที่เราตั้งไว้อยู่กับอุเบกขาก็ได้อย่างเงี้ยอืมกลั บ, บนมาสการณ์ถามนะคะเออกับ<ช>ขอย้อนกลับมาเรื่องความเพลินนะคะบุคคลที่มีอาชีพเป็นดาราเป็นนักดนตรีนักแต้นเพลองเงี้ยนะคะก็ถือว่าเขาไม่ไม่ไม่เป็นสัมมาอาชีพใช่ไหมคะเออไม่ใช่หรอกก็ สัมมาอาชีพพุทเจ้าเนี่ยพูดไว้ไวง้ง่ายๆกว้างๆเลยบอกว่าอาชีพที่ไม่เบียดเบียนแล้วก็บอกอาชีพที่ไม่ควรทำห้อย่างซึ่งดาราก็ไม่อยู่ในกรอบนั้นก็ทําได้เป็นสัมมาอาชีพอยู่อาชีพที่ไม่ควรทําเช่นค้าน้ําเมาค้ายาพิษค้าเครื่ประหารใช่ไหมค้าสัตว์เป็นอาหารเนี่ยค้ามนุษย์เนี่ยบอกอย่าไปทําำแต่แต่การแสดงหรือว่าคือคือเขาสร้างมายาอย่างเนี้ยค่ะ แล้วก็คือแล้วคนที่เป็นมีอาชีพอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเขาจะละความเพลินยังไงก็มันก็มีความเครียดในบทนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันแสดงให้คนอื่นดูใช่ไหมคะมันก็ไอความเพลินตัวนี้นันทีตัวนี้แล้วแล้วจะแยกแยะยังไงอย่างนั่งดนตรีเขาก็เป็นอาชีพของเขาเขาจะต้องแต่งเพลงอย่างนี้ถือเป็นการที่ว่าอธิษฐานจิตในการทํางานได้ไหมคะก็คือมันจริงจรมันเพลิทุกอาชีพเลย อย่ว่าแต่ดานลานะดนตีเลยไอพวกนักธุรกิจมันก็เครียดในงานเอี่ยส่งออกของยังไงกําไรขาดทุนโต้ตอบฝรั่งยังไงมันก็วนชีวิดอยู่ของมันอย่างเงี้ยมันก็เพลินกับทำอารมณ์มันมีเรื่องที่เพลินทำนั้นทุกเรื่องเพลินได้หมดนะเพราะนั้นก็อยู่ที่คนรู้จัดแยกแยะแล้วก็แบ่งเวลาจัดสรรเวลาเอาพระเจ้าจึงบอกว่าอทํางานหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดครับ คารวาชั้นเลิศสี่ประการนะหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เคียดครับรู้จักทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำแบ่งปันพรทคัพย์บํำเพ็ญบุญไม่กำหนัดไม่โมเมาไม่รุ่มหลง ม, ม, มีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคพรทคัพย์เหล่านั้นอยู่ทำได้สี่ข้อเนี่ยจัดเป็นคารวาชั้นประเสรศิฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่าคารวาทั้งหลายในโลกนี้น ะ, นะเห็นไะอืะจดไม่ทัน อ่ <laughs> อา <laughs> อันอันแรกพระเจ้าบอกว่าหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดขัดไม่เคร่งเครียดกับการทํามาหาอยู่หากินนั่นเองใช่ไหมนั่งอยู่ก็ทําได้แต่รู้จักแบ่งเวลาตกเย็ยนมานั่งสมาธิก่อนนอนสักสิบนาทีเตินมาอาีกสักสิบนาทีพอละอยากทําอะไรทําไปที่เหลือนะจิตโยมก็จะคุ้นเคยกับการทําสมาธิเออได้ทําทุกวันเหมือนออกกําลังกายถ้าโยมออกทุกวันวันไหนไม่ได้ออกรู้สึกอุดหิบละ อืเนี้ยตัวไม่ค่อยสะดวกแล้วนะเราทําสมาธิทุกวันจนคุ้นเคยเนี่ยโอ้โหอยากทำํำนะแล้วก็สบายใจสบายมีเวลาพักจิตแถมกลางวันอีกรอบก็หลังอาหารเะนไหมพรเจ้าจบอกมันมันทําสมาธิวันละสามเวลาเช้ากลางวันเย็นก็ได้อย่างนี้นะวันละห้านาเวลาละห้านาทีห้านาทีห้า ท, าทีก็ได้ถ้าเวลาเราน้อยหรือสิบนาทีเอาละแค่เนี้ยวันหนึ่งได้เท่าไหร่ก็ไปแล้วห็นไหมสิบยี่สิบนาทีละอ่ะข้อที่สอง พระเจ้าบอกว่า <c oughs> ทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนําหาอยู่หากินมาแล้วก็ช่วยทําตัวเองให้มีความสุข ด, ด้วยอย่าเคร่งเครียดเครียดคัดเกินไปนอืมอย่างที่สามพรเจ้าบอกว่ารู้จักแบ่งปันพวกทรัพย์บำรเพิ่มบุญเรามีความสุขแล้วเราสบายแล้วก็ที่เหลือแบ่งปันะให้กับสังคมภายนอกคนรอบนอกนะญาติมิตรของเราอย่างนี้อืม <c oughs> ลำดับที่สี่ผู้เจ้าบอกว่าไม่กำหลัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษนะมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคขกอัพย์เหล่านั้นนะยังจะมีรถมีบ้านมีเงินทองทรัพย์สินอะไรต่างๆมีได้แต่อย่าให้มันสร้างทุกข์ให้เรานะมีด้วยปัญญาเห็นความเสื่อมของมันว่าไอ้สิ่งที่มีมันก็ไม่เที่ยงนะมันเสื่อมไปได้นะนะ ไม่ทั้งสิ่งที่เรามีมันจะสร้างทุกข์ให้เรามีรถคันหนึ่งมีรอยขีดนิดหนึ่งโอ้โหเจ็บหัวใจนะ <c oughs> ใจแวบเลยนะเราก็ต้องพิณาโทษของมันแล้วเออรถมันว่ามีล่มมีรอยเดี๋ยวก็ผุพังไปนะพิณาโทษของมันมีปัญญานะที่จะสลัดออกจากสิ่งสิ่งนั้นนะ <c oughs> มีคำถามเพิ่มไหมค ะ, อ, ะอาจารย์ข้างหลั ง, งเาากกนี่ยน้ำมันสกัดคุณจิสมมติว่าเราเกิดเวลาเรานั่งสมาธินี่นะฮะแล้วเราเกิดกิตติตัวโยกตัวค ร, อ, ครอนนะฮะเสร็จแล้วเราก็ปิติอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะทำยังไงที่จะให้เรากลับมามีสติที่ลงหายใจ เพรว่าเราเตินอยู่กับอันนั้นนะคะเจะทํำยังไงที่จะให้มันหายทิ้งหรือว่าสลัดทิ้งอันนี้ที่จะไม่ไปไปยึดติดกับปิติอันนี้หรืองเนี้ยทํายังไงที่จะดึงกลับมาให้รู้ลงหายใจครั้งหนึ่งหรือว่าให้รู้กับปัจจุบันว่าออืเรากําลังเกิดอันนี้อยู่อือย่าไปหลงยึดติดกับกรรมอันนี้ทํำยังไงที่จะให้สลัดได้เร็วๆหรือยังไง อืมอืมอืมจะปล่อปิติก็ต้องเห็นโทษของปิติเสียอยูเห็นโทษของปิติปิติโทษของมันก็คือมันดับไปได้จะปล่อยสิ่งไดเนี่ยผู้ย่อบอกให้ตามเห็นอาท์ินวะคือโทษของสิ่งสิ่งนั้นเราจะปล่อยวางสิ่งสิ่งนั้นได้นะโยนไปหาซื้อกาวในห้างเนี่ยโอ้โหแก้วนี้สวยอย่างเลยนะอ่าในห้างก็มีชั้นวางแก้วเต้เไปหมดเป็นร้อยเป็นพันใบใช่ไหมถ้ายอมจิบแก้วมาแล้ว แก้วมันลาวโยมเอาไหมาไม่เอาไม่เอาแน่นอนโยมจะทำไงวางเห็นไหมอ่าโยมวางเองโยมหยิบใบใหม่ขึ้นมาโอ้แก้วบินเะนี่ยทำไงวางเพราะโยมเห็นโทษของมันหยิบมาสีทะเลาะหยิบมาซักร้อยใบโ ย, ยมก็เบื่อแล้วล้าทุกใบเลยเห็นไหมอ่ามันต้องเบื่อนะแต่เรายังเห็นโทษไม่พอเนะี่ยเราเลยพอใจโ <c oughs> ยมว่ามันไปก่อนอย่างเงี้ยอืม มันก็เห็นโทษบ่อยๆเห็นโทษเรื่อยๆนะแล้วก็เห็นคุณของการที่มาอยู่อีกอารมณหนึ่งใช่ไหมเห็นประโยชน์ของการที่จะมาตั้งอาศัยอยู่อีกที่ที่หนึ่งโยมก็ถึงจะปล่อยสิ่งนั้นแล้วมาอยู่กับสิ่งสิ่งนี้ได้มาเห็นโทษของสิ่งนั้นเห็นประโยชน์ของสิ่งสิ่งนี้นะก็ฝึกเห็นการดับของปิติเอาปิติมันมีแรงอยู่ได้อยู่ไปโยมก็อยู่มันไปซินะเสร็จแล้วพอมันดับโยมก็มีปัญญาพิจารมันเออปิติมันก็ไม่เที่ยงมันก็ดับไป ใช่คนได้ปิติมาแร้วก็ชอบมันก็สบายตัวดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่สุดมันก็ดับไปอื๋อต้องอาศัยการเวลานอาศัยเวลาที่เราจะเบื่อมันเพราะเพราะมันก็เป็นเหตุพระจิตเราเองไปชอบมันมันก็เลยไม่ไปนะเราเปลี่ยนไม่สนใจฉันจะสนใจลมหายใจของฉันนะเราแค่เดินมารมหายใจปุ๊บปิติก็จะดับไป พอมันไปใหม่แล้วก็ดึงมาลมหายใจเราใหม่ แ, หมแต่จริงๆปิติเกิดได้มันก็ดีแล้วนสุขนเกิดจากสมาธิเนี่ยพี่เจ้าบอกเป็นสุขที่ไม่คนกลัวควรทาให้มากจเจริญให้มากยังไม่ต้องไปกลัวปิติมันเป็นแต่เพียงเห็นเห็นโทษของมันว่าปิติมันก็ไม่เที่ยงเพราะคนจะได้ปิติมากก็จะยากได้ปิติได้สุขเกิดจากสมาธิมันก็อย่างยากนะถ้าโยมได้มันก็ดีทํำบ่อยๆเจริญบ่อยๆก็เป็นประโยชน์ ผู้ชาบอกเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวสุขที่ทนควรกลัวคือสุขที่เกิดจากอายจตนาตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจรับรูม้มายอมริบทิ้งเลยนั่งสมาธิทำไมต้องหลับตาไม่จาเป็นแล้วก็มีผู้รู้คนไหนที่ลืมตาไม่ค่อยเห็นใช่ไหมถ้าเี่ลูกนี่ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าไม่มีในร่างพระธกาน ไม่ asure, มีในสมัยพุทธเจ้าม well ันคิดเป็นขึ nuts, ้นเองก็เพื่อให้มันลดภาระทางอายนะลงไปใช่ไหมนี่ท่านพุทธทาสลืมตานั่งสมาธิเยอะแยะก็ท้าอย่างนั่งหมดอนี่ยก็เวลาเดินจงกรมยังเดินหลับตาเดินหมาเลยหัวทิ่มปอดีอืมอือ มันก็คือสมาธิสมาธิไม่ใช่การนั่งอย่างเดียวไงอือฮะอ๋อได้ถ้าเราชอบเปิดไฟเรานั่งคุณเดียวเปิดไฟไปเลยเลยไม่มีข้อจํากัดมันเป็นการทําความเพียนทางจิตนจเนี่ยกายมันจะเป็นยังไงสภาวะแวดล้อมจะเป็นยังไงช่างมันใช่ไหม้วแต่ใครชอบได้ทุกสไตล์เนะอืมตามสะดวกในขณะที่ถาม <laughs> ก็ดูความเพลินในการถามด้วย <laughs> Y, สมาธิมี่เป็ น, เ ป, นเป็นความผิดทางจิตนะให้เราให้เราพอใจแต่เป็นทำให้ผ่านไปในทั้งสี่เรียบทเพราะคนเราไม่สามารถจะนั่งทั้งวันได้เดินทั้งวันก็ไม่ได้นอนทั้งวันก็ได้หลังหักกันบดีก็เปลี่ยนเรีบทไปเรื่อยๆเรยๆเรื่อยๆและกิเลสก็ไม่ได้เลือกว่าอะคุณนั่งสมาธิแล้วกิเลสจะค่อยเกิดนะไม่เลือกอมเดินก็เกิดได้ เดินก็โกรธได้ยืนก็โกรธได้นะพรอเจ้าเลยมีสติระมัดระวังไปในทุกๆอิริยาบถ น, นะ <c oughs> มีคำถามต่างไปรเด็นหรไม่คะเผื่อจะได้แบ่งปันความรู้นะคะจากคำตอบที่ได้พระอาจารย์จะให้โอกาสจำพังชมรมได้อีกค่ะ นมาสกาเรียนถามนะคะขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยนะถ้าเกิดความสุขเนี่ย ค, คือเป็นสุขอย่างมากเลยนะคะคือณขณะนั้นเนี่ยควรจะดูจิตหรือหันกรรมดูกายค่ะเป็นที่ที่ถูกต้องะคะ่ะถ้านั่งสมาธิแล้วมีความสุขอย่างมากะจะให้กลับไปดูจิตหรือดูกาย ค, คือขณะนั้นเนี่ย <c oughs> มันเป็นสุขสุขแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเลยค่ะ อีว่าคือเราก็ในในความนิ่งในความสุขนั้นคือเราดูเราดูจิตตัวเองหรือว่ากลับมาดูกายที่ถูกต้องได้หมดเลยโยมนะได้หมดเลยการที่เราจะอยู่กับสุขก็ยังได้ใช้สุขเป็นวิหารธรรมในการอยู่แต่ให้มีปัญญาเข้าไปด้วยว่า<ม>เออสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้ก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปนะพระพุทธเจ้าก็บอกเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวควรทําให้มากจเจริญให้มากเสริมให้มากใช่ไหม เพราะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวสุกตรงนี้แต่เรามีปัญญากำกับไปว่าเออสุขนี้ก็ไม่เทีย่ยงเมื่อโยมเห็นความดับของมันบ่อยๆการเปลี่ยนแปลงของมันบ่อยๆต่อไปพอสุขนี้ขึ้นมาโยมก็เห็นว่าเออเดี๋ยวมันก็ดับไปมันก็สร้างลงละโยมก็ไม่อยากไม่อยากเสด็ในสิ่งนี้ละอ่าไม่อยากเสด็ในสิ่งนี้จิตมันก็จะปล่อยของมันเองนีมันก็จะกลับมาลมหายใจหรือกลับมาอยู่กับความนิ่งความเป็นอุเบกขาโดยอัตโนมัติของมันใช่ไหมอ่า <c oughs> ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปกลัวสิ่งเหล่านี้นะการที่คนคนหนึงจะทําสมาธิได้ความสุขบนกระสนาาันออได้ยากนะใช่ใช่ก็ส่วนอย่าไป <c oughs> ไปสอนกันอย่างนั้นนะว่าว่าระวังติดสุขนะระวังติดสมา ธ, นะะามาธินะติดไปก่อนนะไอ้จะทํามันก็ยังยาก <c oughs> คนจะมาพอใจทําสมาธิพอใจอุเบกามันไม่ใช่เรื่องง่ายไงนะใช่ไหม เพียงจมีปัญญาจำกับไปด้วยว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะอช่ไหแล้วมันใช้เป็นอาศัยเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ได้นชั้นหนึ่งสองสามสี่เนี่ยใช้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ได้และใช้เป็นบาตรฐานในการเข้าวิมุติได้ทั้งหมดเดี๋ยบางคนจะบอกว่าต้องสมาธิขนาดชาั้นสถึงจะเข้าวิมุติได้นไม่จําเป็ น, นก็ต้องมาอาศัยภูมิปัญญาผู้เจ้าว่าเอจะเป็นสมาธิระดับไหน อันนี้เป็นปัญหากันมากของนักปฏิบัตินี่อืมบางผู้ก็ต้องอสมาธิข่านี้อันนี้นี้นี้่คุเจ้าบอกไม่จําเป็นแล้ว <c oughs> บอกพิสูจทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้างจตุฌานบ้า ง, ชชาางอาการสารานใจยนะบ้างนะวิญญาณานใจยนะบ้างไล่ไปจนถึงรูกประชานทั้งสี่ลูกประชานแล้วคุเจ้าก็มาสรุปบอกว่านะ สัญญาสมาบัตมีประมาณเท่าใดการแทงตลอดเส้อนอรสาธผลก็มีประมาณเท่านั้นสแสดงว่าสมาธิทุกขั้นตอนเนี่ยใช้เป็นบาดฐานในการเข้าวิมุติได้ทั้งหมดแต่ให้มวลในการใช้ทําอย่างไรเมื่อผู้นั้นมีสมาธิในขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วให้ตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าเนี่ยในองคฌานนั้นๆันแค่นั้นเองท่านก็บอกเปรียบเหมือนนายขมังธนูที่ซอมยิงขุนฟางนะก็ซ้อมยิงไปเรื่อยเห็นการเกิดดับไปเรื่อยๆ ก็จะเป็นนายขลังธนูที่ยิงไกล ย, ยิงแม่นยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้และอุปมาเหมือนกันในทุกองค์ชานในส่วนของออรูปฌานก็จะไม่มีเรื่องลูกเข้าไปเพราะวางลูกเสียได้แต่พู้เจ้าบอกขันทั้งสี่ยังทำงานอยู่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้นั้นตามเห็นการเกิดดับของขันทั้งสี่ในองค์ชานนั้นๆก็สามารถน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้อใช้หลักการเดียวกัน พระอาจารย์จ้าั่าในช่วงปลายปีนี้นะคะก็มีวันหยุดต่อเ น, นื่องกันหลายวันนะคะเชื่อว่าหลายคนอาจจะนะคะอยากจะถามว่าที่วัดมีสถานที่หรือมีจัดคอสอบรมใหได้ปรีดิเว้แล้วก็หาประสบการณ์จากภายในได้ไหมค่ะสถานที่ในการปฏิบัติมีคอสการอบรมมีทุกวันนะมาทําตามข้อวัดเนะ่ะเข้าคอสแหละเดินตามข้อวัดปฏิบัติเน่ยนะเช้ามาทานอาหาร หลัทงทานอาหารเสร็จก็เดินจงกรมนั่งสมาธิควบคุมตัวเองจัดระเบียบตัวเองเพราะจริงๆนะปฏิบัติแล้วเนี่ยเราต้องการเวลาว่างมากที่สุดไม่อยากมีภาระอะไรนะมาวัดไม่ต้องไปทําอะไรส่วนใหญ่ามาวัดก็ไปติดงานวัดไปทําครัวทําน้าพานะทําน้นไม่ได้ภาวนากันพทีเลยนะมันเป็นปัญหาอย่างนี้กันทุกที่นะนะบางคนก็ไปล้างถ้วยล้างชางจนเที่ยงจ น, จนบ่ายแล้วโอ้ไม่ได้ภาวนาเหนื่อย หมดแรงพอไปถึงบุตรีหลักเรียบ ร, ร้อยนะอืมเพราะฉะนั้นว่าเลยมาไม่ต้องทําอะไรอย่าท <c oughs> ํารคโสโปรกแค่นั้นเอลยหลังฉันหลังทานอาหารก็เดินลงกรมนั่งสมาธิดีจีวิ่งวิ่อยู่คนเดียวอย่าไปจับกลุ่มคุยกันนะอ่าก็พย า, ายามอยู่คนเดียวภาวนาไปปฏิบัติทํากับการทํางานได้ไหมเจ้าค่ะได้แต่ถ้าถ้าแรกๆมันทําเลยมันก็หลุดเนี่ยหลุดบ่อยน ะ, น ะ, นะ ừ. <c oughs> ไม่ต้องจองหลอกวัดดวงไปเลยใช <c oughs> ่โทรศัพไปก็ได้นะจะจองก็ได้จะไม่ต้องจองก็ได้แล้วแต่สะดวก <c oughs> เบอร์โทรเหร <c oughs> <c oughs> มีแผ่นที่เอเดี๋ยวจะมีหนังสือไว้แจกแล้วก็ข้างหลังหนังสือี่จะมีแผ่นที่แล้วก็เบอร์โทรนะเบอร์โทรจำไม่ค่อยได้เหมือนกัน <c oughs>